ก็การบรรยายวันนีนะ้คือเรื่องเป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลงขึ้นชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเราก็คงทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเพราะเราซึ่งอยู่ทํางานอยู่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็คงทราบอยู่แล้วว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัวเราเนี่ยมัน เป็นธรรมดาแล้วก็มันพร้อมจะพิกผันได้อย่างไม่คาดฝันบางครั้งก็เป็นความพิกผันในทางที่ดีเมื่อวานนี้ก็ครบรอบที่สิปีใช่ไหมการผังทลายหรือการถล่มกำแพงเบอร์ลินซึ่งไม่มีไม่มีใครนึกว่ามันจะสงครามเย็นมันจะลงเอยในลักษณะนั้น เพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเรายังกลัวเลยว่าอาจจะเกิดสงครามล้างโลกเพราอสงครามเย็นระหว่างอเมริกากระเซียแต่ว่าจูๆ่ๆวนันนี้คืนนีประชาชนก็ไปทำลายกาแพงเบอร์ลินแล้วก็เป็นการปิดฉากสงครามเย็นเลยเพราระหว่าง คาสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัเสเซียแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีสหภาพโซเวียตก็แตกสลายรัฐิคอมมิวนิสต์ก็ถูกลืนหายไปจากประเทศนั้นยังไม่มีทางที่ฟื้นคืนกลับมาอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ในระดับโลกซึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่เรา ไม่นิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้แต่นี่คือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดททีที่ทำให้หลายคนรู้สึกโลง่งนะว่าโลกปลอดภัยแต่ว่าในอีกด้านความเปลี่ยนแปลงมันก็มาอย่างฉับพลันในทางเลวร้วายเหตุการณ์เสด็จกันยาเนี่ยมันเกิดขึ้น เแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ามันเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้อตมาไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะอยู่ในปา่ามันเกิดขึ้นในตอนกลางคืนของเมืองไทยชนะแต่ว่าพออตมาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าโลกที่เห็นมันกลายเป็นโลกใบใหม่สช่ไห โลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทั้งที่เวลาหาการเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นออันนี้คือต่ว่าไปก็เป็นความธรรมดาความธรรมดาของโลกความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกแต่ว่ามันไม่ใช่โลกเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าชีวิตของเราก็หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เวลาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนจำนวนมากก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นคงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะคาดการได้ทุกอย่างดูเหมือนจะมีความมั่นคง มีความแน่นอนแต่จริงๆแล้วชืวิอของเราที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีภ o s i t i v i t หนึ่ง p o s i t i v i พ y positivity หนึ่งพูดได้ดีนะฮะระหว่างวันพุ่งนี้<ม>กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนไม่มีใครรู้จริงๆนะ สมาชิวทุกคนในที่นี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้กับชา้นหน้าอะไรจะมาก่อนเพราะว่าสำหรับหลายคนไม่มีพุ่งนี้แล้ววันนี้คือวันสุดท้ายสำหรับเขาหลายคนในโลกนี้นะซึ่งก็คงเป็นจำนวนมาก วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วพ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยนี่คือความนี่คือความจริงชีวิตนะแต่ว่าอย่าว่าแต่ความเปลี่ยนแปลงกับชาพัน์ในลักษณะเทตมาว่ามาเลยแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่หลายคนก็รู้สึกว่าไม่พร้อมเกณแค่ได้ยินว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชีพการงานหลายคนก็จะรู้สึกกังวลเ mm hmm. พราะเราคิดว่าที่เป็นอยู่นี้มันดีแล้วที่เป็นอยู่นี้สบายแล้วมนุษย์เราเนีมีธรรมชาติที่กลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าเป็นถ้าเกิดขึ้นในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีความสุขสบายดีคนไทยลวลานี้เป็นทุกข์มากนะกับความเปลี่ยนแปลงนี่อีกไม่นานก็จะเข้าปีเสือนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสือนี่มันดุร้ายเศรษฐกิจก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง แสงสว่างที่ปลายมุมมงก็ยังเห็นอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแย่ลงกว่า น, นี้หรือว่ามันจะดีขึ้นอันนี้พถึงปีหน้าสานการบ้านเมือก็เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองไปให้ลึกเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรามันมันไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดว่าจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นสุขหรือทุกข์แต่มันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ความรู้สึกของเรามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อความเปลี่ยนแปลงนั้น ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใ น, นระดับชาติหรือว่าใ น, นระดับบุคคลต่ว่าความนเป็นกลางๆนะฮะมันเป็นกลางๆมันจะดีหรือร้ายไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองแต่อยู่ที่ตัวเราว่าเรา จะใช้มันอย่างไรหรือเราจะจัดการกับมันอย่างไรความเป็นแปรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าเป็นภยัยคุกคามเป็นความย่อยยับเป็นความเสื่อมสลายเนี่ยแต่ว่ามันก่อกลายเป็นของดีก็ได้เมื่อเวลาถ่านไปอย่างบ้านเราเนี่ย สมัยสงครามส ม, สมกาลที่หนี่เราคงทราบดีแล้วว่ามัมีภัยพุกัาจากต่างชาติเราถูกขนาบ ด, ด้วยจากกวรริยมอังกฤษอยู่ซ้ายมือจากกวรนิยมฝรั่งเศสอยู่ขวามือด้านตอวันออกและตอวันตกแต่ว่ามันก็กลายเป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมืองไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสมัยชาตที่5ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าพราะบา ร, รมีของอพระองค์เท่านั้นแต่มันจะเป็นเพราะแรงกดดันจากปัญหาที่ขนาดทั้งซ้ายและขวาทั้งตันตกและตัวออกแต่มันก็เป็นโอกาสในการทำให้ประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลง เรา <Lil ith> เราไกด์เรามีการเปลี่ยนแปลงที่เราปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบมทนเทศ า, าพิธบาลมีการเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์อย่างที่ไม่มีอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศพุทธศาสนาแบบเทรวาทไม่ว่าพม่าไม่ว่าลังกาไม่ว่าลาไม่ว่าพมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้อย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยอันนี้พูดเฉพาะในคณะในเน่คณะสงฆ์นะ เรามีการปฏิรูป ก, การศึกษานะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมรดกตกทอดก็ยังคงสืบเนื่อมาจนถึงเราในวันนี้นั่นก็คือเรารู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเราในที่นี้ก็หมายถึงพระปยะมหาราชแล้วก็ผู้ปกครองในเวลานลั้งดทั้งคนไทย ที่มีสติปัญญาหรือในกรณที่หลักกวนานั้นอย่างเช่นญี่ปุ่นซึ่งแพ้สงครามแต่หลังจากที่แพ้สงครามเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นมีการปฏริรูปที่ดินมีการพัฒนาอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศเนี่ยลดน้อยจนกระทั่งมีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างคนรวยสุดคนจนสุดห่างกันไม่เกิน3เท่ารายไดย้ของคนของกลุ่มคนที่รวยสุด 20% แรกกับกลุ่มคนที่จนสุด20สุดท้ายเนี่ยห่างกันไม่เกิน3เท่าเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงหลังสงคารามโลกที่2 ทาหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้นเนี่ยมันมเรียกว่าถูกทําลายเป็นถูกทําลายมากมายแล้วก็มีฝรั่งมาปกครองมีนักอ่านเทอรเป็นผู้สำเร็จราชการแต่ว่ามันเป็นโอกาสทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายอย่างที่ทําให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพลวัตกลายเป็นก่อให้เกิดความมหศัศจรรย์ทางเศรษฐกิจ มาพุ่งแปะออาก็เมื่อ10กว่าปีนี้เองคือ 1, ทศวรร9 0ที่ที่แปกคือหยุดชะงักแต่ก่อนนั้น 40-50 ปีนะคนญี่ปุ่นได้เปลี่ยนเอาได้ใช้วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้อาตมาพูดถึงปัญหาในระดับประเทศซึ่งมันก็เอามาใช้ได้นะกับความเป็นจริงของชีวิต ของเราแต่ละคนแต่ละคนความเปลี่ยนแปลงสามารถจะเกิดขึ้นกับเราหรือกาลังเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่บ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะเป็นทุกข์ทั้งทั้งที่มันยังไม่เคนเกิดขึ้นกับเรา เวลานึกถึงความเจ็บความปวดขึ้นมานะเวลานึกถึงการที่จะมีการรื้อองค์กรคนก็ตื่นตกใจนะแต่ว่ามันจะก่อให้เกิดผลบวกหรือลบเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยด้วยนี้เนี่ยธามจึง เริ่มต้นตรงเนี่ยตรงข้อความที่ว่านี่ว่าสืหรู้ทุกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราแต่ยู่ว่าเรารู้สึกอย่างไรคำนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมดีนักอันนี้ต้องรู้ว่าเราจัดการกับมันอย่างไรด้วยนะเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างไรด้วยอันนี้รวมไปถึงทั้งความแก่ทั้งความเจ็บและความตายนะ ชาวพุทธเราเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ความตายให้เป็นประโยชน์สามารถจะใช้เหตุร้ายให้เป็นประโยชน์ได้นะในพุทธกาลเนี่ยจะมีหลายคนที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งทั้งที่ประสบความเจ็บป่วยบางท่านถูกไฟคร อ, อกถูกไฟคล อ, อกตายนะแต่ว่า สามารถจะบรรลุทำได้ในขณะที่อยู่ท่ามกลางกองเพลิงตัวอย่างที่ใช้คือพระนางสามาวดีนะซึ่งถูกถูกหลอกให้ไปติดอยู่ในปราสาทโดยคู่ปรปักที่อิจฉาแล้วก็จุดไฟเผาตายในกองเพลิง แต่พระเจ้าจับว่าในวันรุงขึ้นพระเจ้าจับว่าความตายของนางไม่สูญเปล่าเพราะว่านางเนี่ยแล้วก็บริวารที่ตายในนั้นเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิาบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างนะอันนี้เรียกว่ารู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าพูดภาษาสมัยใหม่แต่มาคิดว่าเวลา เวลาพวกเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศนะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือการตั้งสติแล้วก็พิจารณาดูว่ามันรร เ, รเราจะยอมให้มันเนี่ยสร้างความทุกข์ให้แกเราแค่ไหน หรือว่าดีก่า น, นั้นก็คือว่าเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรไม่มีความทุกข์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความทุกข์อะไรที่มนุษย์เราไม่สามารถจะก้าวพ้นมันได้อ ม, อมตะเกตเนี่ยแกเป็นแกเกิดมาเนี่ยเป็นคนคิการคือไม่มีมือไม่มีขาแกเขียนหนังสือเรื่องนึงขึ้นมาชื่อว่าไม่ครบห้า คือคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีค่านี่คือ1 ห, หัว2แขนแล้วก็2ขาถึงจะเรียกสมบูรณ์ถ้าเป็นภาษาบาลล้านเราก็เรียกว่าครบ32มสิบสองไหมแต่เคงื่อเชื่อไม่ครบ5ข้อความตอนหนบอกว่าผมเจอมาติการแต่เป็นสุขและสนุทุกวันจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็มีความแจ่มใสนะเรียกว่าตั้งแต่เล็กเลยก็ได้ ไม่รู้สึกด้อยที่ตัวเองเนี่ยคิดการแกรมีความสุขมากกว่าคนจานวนมากที่มีอาการสายสองหรือว่ามีออยวะครบห้าอะไรทำให้แกมีความสุขแล้วก็สนุกทุกวันนะตอนนี้ยี่สิกว่าแล้วไปเป็นครูแกสามารถช่วยตัวเองได้ทุกอย่าง กินข้าวอาบน้ำถูฟันเขียนหนังสือตอนเด็กๆ ก, ก็เล่นบา ส, ส, สเกตบอลกับเพื่อนด้วยเล่นได้ยังไงก็แปลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความพิการเนี่ยทำอะไรโอมอตเกตไม่ได้คือไม่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจนี่เป็นทุกข์ได้นะในขณะที่บางคนเนี่ยแค่เป็นสิว ผิวแห้งผนแตกปลายก็กุม้มอกกุ้มใจร้องหยร้องไห้มันต่างกับตรงไหนมันต่างกัที่ใจใจถ้าว่าเราเนี่ยวางใจถูกวางใจเป็นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ทำอะไรเราไม่ได้หรือก็ทำให้เราทุกข์ได้ประเดียวประดาน คนหนึ่งก็กระหนกวันสินสุกนี่แกเป็นทาินเลยตั้งแต่เกิดทรารกชินเลยนี่ก็เป็นโรคเลือดหมอบอกว่าแกจะอยู่อายุจะอยู่ได้ไม่ถึง20ตอนนี้ก็เกือบ30สแล้วก็จะว่ายัางมีชีวิตอยู่แล้วก็แกเป็นโรคที่โลกเลือดเนี่ยมันก็ทำให้แกต้องถ่ายเลือดอยู่ยปเป็นประจำแล้วก็กระดูกผูุขาหักเป็นประจำาเข้าเฟือมา1 4ครั้งแล้วแล้วก็ อ่อนแอมากนะชุ๊กแกบีไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่แกพูดประโยค น, นี้นะน่าสนใจมันไม่สําคัญหอกว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตแต่สำคัญที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดกับมันอย่างไรต่างหากเราเราสองคน2คนนี้คือพี่น้องนะเป็นโรคทรัฟสิเนีเหมือนกันความสุขก็เ่ยคือหาง่ายมากถ้าใจของเราคิดว่ามันเป็นความสุขนะ ในความสูงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีทรัพย์สมบัติมีความร่ํารวยมีชื่อเสียงหรือว่ามีร่างกายที่สวยๆรอนะหรือว่ามีคนยกจ้องสรรเสริญนะอันนั้นเป็นเป็นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจของเรานะอยู่ที่ใจ อยู่ที่มุมมองของเรานะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทําร้ายจิตใจหรือทําร้ายเราได้มากกว่าจิตที่วางไว้ผิดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบมันกศัตรูสองคนนี้มาทําร้ายกันด้วยความเกลียดชังการทําร้ายกันของศัตรูนั่นเนี่ยก็ยังไม่ยังเทียบได้ไม่เท่ากับใจที่วางไว้ไม่ถูกใจที่ตั้งไว้ผิด สามารถจะทำร้ายจิตใจเรามากกว่า น, นั้นนี่คือสิ่งที่ถูกมองข้ามไปคือการละเลยความสำคัญของจิตใจว่ามันคือตัวชี้ขาดว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันก็คงเหมือนกับเวลาเราทำ ง, งานกับทรงต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่ากระแสภัยคุกคามจากต่างประเทศมันจะร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยแต่สิ่งที่จะทำให้เราสิ่งที่จะแต่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าในประเทศเนี่ยคนในประเทศเนี่ยมีความสมัคคีกันไหมถ้าคนในประเทศมีความสมัคคีกันมีความเป็นหนึ่งใจเป็นมีความเป็นน้ำหนึ่ง ใ, ใจเดียวกันแม้ว่าภัยมันจะแรงแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้ สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดความสงบสุขของประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แรงหรือภัยคุกคามจากภายนอกแต่อยู่ที่ความมั่นคงหรือว่าความสมาสมัคคีของคนในประเทศนะแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจแต่ว่าประเทศเล็กๆ ก, ก, ก็ยังสามารถจะอยู่ได้สิงคโปร์เป็นตัวอย่างนะที่เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเจริญได้อย่างมั่นคง เราก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วง50ปีที่ผ่านมาให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้เสมอนะเวลาเกิดสงครามเย็นสิงคโปร์ก็ได้ประโยชน์เวลาเกิดโลกาภิวัตน์สงครามเย็นหายไปสิงคโปร์ก็ได้ประโยชน์นะนะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศเล็กๆที่สามารถจะจัดการหรือใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ ปัจจัยภายในเนี่ยสำคัญกว่าปัจจัยภายนอกชันใดเนี่ยในเรื่องของสุขและทุกข์ก็เหมือนกันนะฮะจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดสุขหรือทุกข์ของเรามากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศอาชีพสถานภาพนะผู้ จ, จัดว่าไม่มีอะไรที่จะทําร้ายเราได้มากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดแต่ในด้านหนึ่งไม่มีอะไรที่จะทําให้เรามีความสุขได้มากเท่ากับจิตที่วางไว้ถูก เมื่อวางจิตไว้ถูกแล้วเนี่ยแม้จะพิการแม้จะเจ็บป่วยด้วยโรครายก็ยังมีความสุขได้นะฮะสุขมากกว่าคนปกติด้วยให้เราเราอยู่ท่ามกลางความจริงของโลกก็คือว่าเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมฮะเราไม่สามารถจะเลือกได้ แค่ออกจากสำนักออกจากกระทรวงเนี่ยไปเราก็เลือกไม่ได้แล้วว่าเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะมีรถติดหรือเปล่านะเราเลือกไม่ได้ว่ารถจะต้องโล่งโปร่งนะท้องถนนจะต้องโปร่งโล่งแต่เลเลือกได้ว่าเราจะมีปฏิกริยากับสิ่งนั้นอย่างไรหมายความว่าถึงแม้ออกไปจากกระทรวงเจอรถติด เราก็เลือกได้ว่าเราจะสุขหรือทุกข์กับจราจรรถมาติดขนาดแค่ไหนเราก็ยังยิ้มได้นี่คือสิ่งที่เราเลือกได้นะและเราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนเดี๋ยนี้เราเนี่ยปล่อยให้สิ่งภายนอกเนี่ยมามีมามีอิทธิพลกาหนดชีวิตเรามากหรือเกินนะหรืออย่างน้อยเนี่ยมากําหนดความรู้สึกของเรา รถติด ก, ก็ทุกนะคนพูดไม่ถูกหูก็ทุกแดดร้อนก็ทุกฝนตกก็ทุกนะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์เจอข่าวที่ไม่ถูกใจก็ทุกเราปล่อยให้สิ่งภายนอกเนี่ยเข้ามากำหนดหรือมามีอิทธิพลต่อเรามากเหลือเกินในเวลานี้นะและเราจะ มีความสุขได้อย่างไรในเมื่อสิ่งภายนอกเนี่ยเราคุมมันไม่ได้เลยคุมได้น้อยมากนะแม้ว่าเขาจะบอกเราว่าโลกนี้จัดการได้องค์กรจัดการได้ธรรมชาติจัดการได้แต่ความจริงคือเราจัดการได้น้อยมากแต่เราสามารถจะจัดการกับมุมมอง ความรู้สึกหรือทัศนคติของเราหรือจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนนี่เราทําได้ฝนตกแล้วก็ยิ้มได้นี่เราเลือกได้ตดติดแล้วก็ยิ้มได้นะอันนี้เป็นข้อความของของบุรุษไปรษณียคนหนึ่งนะฮะวันนั้นเนี่ยแดดร้อนมาก เจ้าของบ้านเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์ก็เลยไปนั่งไปหลบอยู่ในห้องแอรนะ์หลบอยู่ในห้องแอร์ขณะอยู่ในห้องแอร์เรื่อยังรู้สึกอ้าวเลยแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบุรุษไปษณีมาเรียกให้ไปรับเอกสารแกก็ไม่อยากออกไปรับนะเพราะว่ามันร้อน บุรุษเปชนีเห็นรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านก็รอแต่ทีนี้แทนที่จะเรียกเจ้าของบ้านก็ร้องเพงลงร้องเพลงลูกทุ่งร้องจนกระทั่งเจ้าของบ้านทนไม่ได้ต้องไปรับเพราะว่ามันต้องเซ็งนะรับเสร็จก็เลยถามบุรุษเปษณีว่าอากาศร้อนอย่างนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเลยแล้วนี่คือคําตอบจะบอกว่าถ้าโลกร้อนแต่ใจเราเย็นมันก็เย็นครับใช่ไหมฮะ ร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งส่งไปก็ร้องไปคือรคร้อนเนี่ยแต่ใจเราเย็นได้และเมื่อใจเราเย็นแล้วเนี่ยเราก็เย็นนะแต่เวลานี้เนี่ยเราปล่อยเราถ้าโลกร้อนใจเราก็ร้อนด้วยถ้าผู้คนวุ่นวายใจเราก็วุ่นวายด้วยถ้ารอดตัวเราสงเสียอกะทึกใจเราก็อึกตะทึกโครมไปด้วย ทำไมเราถึงปล่อยให้ใจเราเนี่ยวันไหวไปกับสิ่งแวดล้อมหรือปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากเกินไปแต่บุรุษปัญญาชนคนนี้แกแกไม่จำนวนนะโลกร้อนแต่ใจเย็นได้ครับนะแล้วเมื่อใจเราเย็นแล้วเราก็เย็นได้นะฮนะเวลาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะฮะถามว่าจะสุขได้อย่างไรในทุกความเปลี่ยนแปลง ต้อมาคิดว่าอย่างแรกเลยก็คื อ, อยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสียเวลาบน่นคนเราเนี่ยเมื่อมีความจริงเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ยอมรับมันนะแทนที่เราจะมาตั้งหลักว่าเออแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรเราจะทําใจอย่างไรเราก็เอาแต่บน่นะเราเราเป็นทุกข์กับการบ่นในเรื่องงานเรื่องการ ท, ทั้งทที่ ยังไม่ทันทำงานเลยก็บน่นละว่างานหนักงานเยอะนี่ไม่ใช่งานของเรามาให้เราทำไมนะเราทุกข์และเราเสียเวลาไปกับการบ่นมากนะความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันนะฮะคนเราทุกข์เนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์เราไม่ได้เราไม่ได้ทุกข์าากขายมากเท่ากับทุกข์ใจนะ คนจํานวนมากเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาป่วยเนี่ยเป็นความทุกข์ใจซะสิบเปความทุกข์กายสะสามสิเนตเพราะไม่อยอกรับความจริงเอาแต่บ่นว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแล้วคนเราเนี่ยเสียเวลาแล้วก็สูญเสียความสุขไปเพราะมัวแต่บน่นการบ่นก็คือการที่เราไม่อยอกรับความจริงนั่นเอง มีเมื่อสัก4ีหเดือนก่อนอาตมา ก, ก็ไปบรรยายกับหลวงพ่อพระพยอมท่านก็เล่าถึงาประทับใจจากการดูโทรทัศน์รายการหนึ่งของช่องทีวีไทยรายการพลเมืองเด็กแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะจะปิดไปแล้วเขาเอาเด็กเนี่ยหลายๆคนเนี่ยประมาณ3ามคนเนี่ยมาทำพิจกรรม แล้วก็มาถ่ายทำเป็นสารคดีคล้ายๆเป็นเรียลิตี้โชว์นะคราวนึ่งเนี่ยที่หลวงพ่อพยอมกล่าวถึงเนี่ยคือว่าเขาเด็กเนี่ยสามคนนี่มาขนของคือรถไฟนะรถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนเด็กๆก็ต้องรีบผลนะเด็กอายุสิบสองสิบสามเผิอวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเขาจะขึ้นชก ถ่ายทอดสดด้วยเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยก็เลยหนีไปดูโทรทัศน์ในร้านกาแฟแถวสถานีก็ทิ้งเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงเอาไว้คนคนเดียวไอ้ภาพแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นี่เราคงเจอบ่อยนะอาจะเจอจเจอด้ตัวเองก็ได้เพื่อนที่ท ง, งานพิธีกรก็เลยไปถามเด็กคนนี้ว่าคิดยังไงกับเพื่อนสองคนนั้น เด็กผู้หญิงนั้นก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขานานๆเขาจะได้ดูสมจิตเขาเป็นแฟนสมจิตอยู่พิธีกรก็เลยถามแย่ต่อไปว่าแล้วหนูไม่คิดจะหนูไม่โกรธหนูไม่คิดจะไปด่าว่าเขาเหลอนะเธอก็ตอบอย่างนี้ขึ้นมาว่าหนูขนของขึนรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูโกรธหรือไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะ เวลาทำงานทุกว like, like ันน like like so ี่เราเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่างเวลาถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือเราจะเหนื่อยสองอย่างคนส่วนใหญ่เหนื่อยสองอย่างนะฮะทำไปก็บ่นไปทําไปก็บ่นไปแล้วถามว่ามันช่วยมันช่วยมันช่วยเราไหมเมื่อเราบ่นเดี๋ยวคนนี้ก็ฉลาดแกรู้เลยว่าการบ่นนี่มันไม่ช่วยแกยอมเหนื่อยอย่างเดียวคือว่ายอมเหนื่อยกาย แต่ว่าใจจะไม่เหนื่อยเพราะใจจะไม่บนน่นทั้งที่เราจะมอโอนที่มันไม่เป็นธรรมนี่ใช่ไหมแต่คนเราทุกข์เพราะเพราะความคิดแบบนี้มากนะคือเราปฏิติ์กับความเป็นธรรมความถูกต้องจนกระทั่งวางไม่ได้และสิ่งที่เราวางไม่ได้นี่มันก็เลยมัน ห, หันมาทำให้เราทุกข์ ความไม่ความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ว่าในขณะที่เรากำลังทำงานเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรือนะถ้าเราจะจดจอทำโดยที่ไม่มัวแต่บน่นะเวลาที่เราบน่นวันวั น, นึงเราบ่นหลายครั้งเคยสังเกตใจของเราบ้างหรือเปล่าบ่นเวลารถติดบ่นเวลาเพื่อนไม่มา นะหรือว่าบนเวลาทำงานจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราทำสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าให้มันดีนะเออเขาไม่มาก็ไม่ไม่มาเราก็ทำงานของเราไปนะสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมันจะทำอะไรเราไม่ได้นะถ้าว่าเราไม่หมดแต่บน่นะเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากไม่หมดแล้วก็ยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงด้วยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วความจริงเกิดขึ้นแล้วเราจะหน้าบึ้งไปทำไมเราลองยิ้มดูนะฮะยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงดูนะเศรษฐกิจจะไม่ดีนะฮะหรือว่าการเมืองจะวุ่นวายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะทาหน้าบึ้งเป็นทุกเราลองยิ้มรับมันดูนะฮะ ยิ้มรับเสร็จก็ปรับตัวด้วยปรับตัวหรือปรับใจเช่นถ้าเราเจ็บเราป่วยมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะบ่นหรือจ ะ, จะทำหน้าดำขึ้เครียด <นะ S 2> เราก็ยิ้มรับมาแล้วก็เราก็ปรับพฤติกรรมของเรา <นะ S 1> เวลาทำธุรกิจมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากแต่ส่วนใหญ่เราเอาแต่ทุกข แล้วเราไม่ปรับตัวเมื่อสักร้อกับปีก่อนเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยมันจะได้มาเนี่ยต้องไปเอาจากโค้โล่งเหนือหรือประเทศทางเหนือก็จะมีมีมีคนเนี่ยทำอาชีพตัดน้ําแข็งเลื่อยน้ําแข็งนะแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเรือเอาไปส่งเช่นไปส่งที่อินเดียเพราะอินเดียเนี่ยมันมีพวก ทหารจากอังกฤษไปทํางานที่นั่นข้าราชการจากอังกฤษพวกนี้เนี่ยอินเดียมันร้อนแต่พวกนี้มีน้ําแข็งกินถามว่าน้ำแข็งมาจากไหนน้ําแข็งก็มาจากพวกลูกเนือนี่แหละพวกขนใส่เรือเนี่ยแล้ ว, ว, ก, ลลวก็เป็นดเดินเรือเลยนะจากทวีปแอตแลนติกบ้างจากจากทวีปอเมริกานเหนือบ้างจากยุโรปบ้างแล้วก็มาถึงอินเดียเพราะอาชีพอาชีพ ผานอ า, อ, าอาชีพตัดน้ำแข็งเนี่ยมันก็เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีรายได้ดีพอสมควรแต่วันดีคืนดีปรากฏว่ามันมีการทําน้ําแข็งขึ้นมาได้มีธุรกิจทาน้ําแข็งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่ตัดน้ําแข็งขายเนี่ยก็จะเริ่มตกงาน เพราะว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะก็คือการทําน้ําแข็งขายน ะ, ะบริษัทที่ทำน้ําแข็งขายคนที่ทําอาชีพมีอาชีพทำน้ําแข็งขายเนี่ยก็เล่ามรวมกันเป็นการใหญ่แต่และวันนึงเนี่ยมันก็มีการผลิตตู้เห็นได้พอผลิตตู้เย็นได้ทำยงไงฮะธุรกิจที่ทําน้ําแข็งขายก็ ตกงานลงน้ําแข็งนะฮะก็เริ่มปิดตัวเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคำถามก็คือว่าจำเป็นไหมต้องปิดตัวก็คก็คุณเพียงจะเปลี่ยนจากการทำลงน้ําแข็งก็เปลี่ยนกิจการมาทาเป็นมาผลิตตู้เย็นนะถ้าเรารู้จักปรับตัวแบบนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องปิดกิจการ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าว่าเราพร้อมจะปรับตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาแต่เอาแต่ยึดติด ก, กับวิธีการเดิมคนที่ตัดน้ำผ่านตัดน้ำแข็งขายก็คิดแต่จะตัดน้ําแข็งขายอย่างเดียวไม่คิดที่จะปรับตัวที่จะไปไปทำไปทำลงน้ําแข็งไอ้คนที่ทำลงน้ําแข็งก็ยึดติดแต่การทํำลงน้ําแข็งแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนหรือปรับไปสู่การทําตู้เย็นนั้น ถ้าเราไม่ยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเราจะไม่มีปัญญาที่จะหาทางปรับตัวได้เะฉะั้นอาตมาคืดว่าทุกเหตุหหการณ์ความขันแัวทางเศรษฐกิจความบั่นทอนการเมืองหรือว่าความเปลี่ยนแปลงในองค์กรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการที่จะรับมือดีที่สุดคือว่าหนึ่งจะรับความจริงสองยิ้มรับมันและ3ปรับตัวนะ แต่ส่วนใหญ่เราปรับตัวกันไม่เป็นเพราะเรามัวแต่กลุ้มเรามัวแต่ทุกเรามัวแต่บน่นนะฮะและการบน่นการทุกนี่มันทําให้เราเนี่ยไม่มีไม่มีสติปัญญาพอที่จะเห็นรูปทางอนาคตเพราะเราไปยึดติดกับอดีตเราไปยึดติดกับอดีตที่มันเคยสวยงามและเรากำลังจะสูญเสียน้ำไปเราอย่างบริษัทอย่างคนที่มีอาชีพตัดน้งแข็งขายก็เอาแต่กังวลว่าตายแล้ว ตอนนี้ลงลงน้ําแข็งนี่เขาแย่งอาชีพเราไปแล้วทํำยังไงคิดอะไรไม่ออกเพราะเอาแต่ทุกข์แต่ถ้าเรายิ้มรับเราก็จะเห็นช่องทางที่ปรับตัวนะเราคิดว่าวิธีการานี้มันไม่ได้ใช้กับเรื่องการทําธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่ายัางจําเป็นกับการดําเนินชีวิตด้วยต่อมาคือทําปัจจุบันที่ดีที่สุดนะมันก็เชื่อมโยงกันนะเพราะว่า้การที่เรามอาแต่บน อันนั้นคือว่าเราเรากาลังละเลยสิ่งที่ควรทำในปัจจุบันขณะเรากาลังละเลยสิ่งที่ควรทำที่อยู่ตอนหน้าเราเวลาเราทำงานแล้วเราบ่นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไปกังเราไปโมโหกับโมโหเพราะมันเราเราบน่นเราบ่นเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไปติดอยู่กับความน่าจะเป็นมาก แต่เราลืมเราละเลยสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปทุกข์กับความน่าจะเป็นเยอะนะฮะมันน่าจะเป็นอย่างงน้มันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยทุกข์เลยไอ้ความน่าจะเป็นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ควรเป็นเนี่ยเราก็ควรมีอยู่ในใน ในจิตใจของเราแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะก็ไม่ควรจะทุกไม่ควรจะกลุ้มไม่ควรจะกังวลหันมามองสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด r รลลีพาชนะ ouch, นะอันนี้คนคนเขียนหนังสือชื่อ The l ลาร์ e เชอร์ซึ่งมีชื่อเสียงมากในอเมริกา แกแกแกไปบรรยายเรื่อง The Last Lecture เนี่ยเมื่อตัวนี้เป็นเป็นมะเร็งเขาจะเป็นมะเร็งปักแล้วก็หมอว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแกเสียชีวิตไปแล้วนะฮะรันนิพาหนังสือเรื่อง The Last Lecture มีชื่อมากขายดีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่พูดไว้ดีน ะ, ะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่เราจวบมาได้ มันจั่วมาแล้วเนี่ยจะทํายังไงได้เสียเวลาที่จะบน่นว่าทําไมถึงได้ไพ่ใบนี้มาอย่าไปเสียเวลา ก, การบน่นว่าทําไมได้ไพ่ใบนี้มาแต่สิ่งที่เราควรสนใจคือว่าเราจะเล่นไพ่ในมืออย่างไรต่องหาเราจั่วได้สามได้สมาแทนที่จะเป็นแมมคิงมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นแล้วเนี่ยเราควรจะมาจดจ่อว่าเราจะเล่นไพ่ในมืออย่างไรอันนี้ก็ตรงกับหลัก กดแหงกรรมนะฮะกดแหงกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกดแหงกรรมที่เราเข้าใจไปเป็นเรื่องของกรรมในอดีตเราเป็นอย่างนี้เพราะอดีตชาติที่เราป่วยเพราะอะไรแล้วก็ไปเลยพอไปคิดว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะกรรมในอดีตก็เลยคิดจะไปแก้กรรมจะไปจะไปสแกนกรรมหรือจะไปตัดกรรมกันที่จริงกดแหงกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับ กับกรรมในปัจจุบันมากอาดีตอดีกรรมในอดีตจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะทาอย่างไรกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนีนะ้หลายคนไปมัวแต่โทษชะตากรรมทำไมเราเกิดมาจนทำไมเราเกิดมาพิการทำไมเราเกิดมาเตี้ยทำไมเราเกิดมาไม่สวยพวกนี้เป็นเรื่องอดีตงนั้นเลย สิ่งนำมัอยู่ทั่วแล้วตอนนี้คุณจะทำอย่างไรมันเหมือนกับเวลาเราจะเวลาเราจะทำครัวเนี่ยนะคนที่ทำครัวมันมีคนสองคนคนนึงเนี่ยเครื่องคราวนี่ครบเลยแต่คนหนึ่งเนี่ยเครื่องครัวนี่น้อยมากมันเสียสิ่งที่เราสิ่งที่แม่ครัวควรจะทำคือว่าคุณจะเอาเครื่องครัวที่มีที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเอามา ปรุงให้เป็นอาหารที่อร่อยได้อย่างไรป่วยการที่จะมาบอกว่าทําไมเราถึงได้เครื่องครัวอย่างนี้ทําไมเราไม่มีน้าําปลาทําไมเราไม่มีน้ําตาลแม่ครัวที่ฉลักเขาไม่เราไม่มามัวบ่นนะแต่เขาจะทำปัจจุบันที่ดิสู้คือเขาจะดูว่าแล้วสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ฉันจะทํามันอร่อยได้งไงแล้วเราก็พบว่าแม่ครัวหลายคนเนี่ยถ้าท้องที่เครื่องครัวไม่ครบแต่ก็ปรุงอาหารให้ได้อร่อยได้ใช่ไหมฮะ ในขาที่แม่ครัวบางคนได้มีอาหารครบทุกอย่างเลยมีเครื่องมีเครื่องปรุงทุกอย่างเลยแต่ทำอาหารไม่อร่อยเลยมันเพราะอะไรฮะมันเพราะฝีมืออาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่ฝีมือเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงไม่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องครัวนะเครื่องครัวมีส่วนแต่สิ่งนั้นอยู่ที่ฝีมือและฝีมือนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะต้องทาขึ้นมาเวลาพูจพูดถึงกรรมเนี่ย พะุจะให้พูดให้ท่านเน้นึงเรื่องของการทำสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาของเราทำให้มันดีที่สุดนะอย่าไปห่วงกังวลอยาไปอย่าไปกัดกุมว่าทำไมเราถึงมีร่างกายไม่ควบสามสิสองทำไมเราเกิดมาจนพวกนี้นี่มันไม่มีมันไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักมากเท่ากับว่าเราจะทำสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยให้มันดีได้อย่างไรนี่แหละคือความหมายที่เรา ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะฮะกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องการสร้างกรรมในปัจจุบันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยคนที่พิการคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยทำไมเขามีความสุขได้ในขณะที่คนที่สุขภาพปกติกับมีความทุกข์นะคนพิการบางคนอย่างที่จะมารู้จักอาจารย์กําพลทองบุญนุ่มเนี่ยพิการตั้งแต่คอลงมานะแต่เป็นคนที่มี สีหน้าแจ่มใสเป็นที่พึ่งให้คําปรึกษาแก่คนจํานวนมากมายใครมีปัญหาชี้กมาปรึกษาอาจารย์กําพลนะฮะใครมีความทุกข์ใจก็มาหาจนกระมีคนนึงบอกว่าเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าถ้าให้เลือกว่าถ้าให้ถ้าถ้าเลือกได้เนี่ยผมพร้อมจะไปเป็นคนพิการอ ย, า อ, า อ, ยาอย่างอาจารย์กําพล ถ้าสามารถจะมีความสุขแบบอาจารย์กำพลได้คนที่พูดนี้เขามีทุกอย่างในชีวิตเขามีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนได้ <im empire> เขามีอ า, าการคบสารสแต่ว่าทำไมเขาถึงกลัรบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกอยากจะพร้อมจะไปเป็นคนพิการอย่างอาจารย์กำพลเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขได้น้อยกว่าอาจารย์กำพล ทำไมคุณยายแตงกัมพซึ่งพิการมีความสุขไดนะ้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยสามารถจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะถึงแม้พิการแต่ว่าก็ปฏิบัติทําได้เดินจงกรมไม่ได้ก็พลิกมือไปมาอยู่บนเตียงพนะลิกมือนี้แหละเจริญสติอยู่บนเตียงนะจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นเลยว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันกายทุกข์ไม่ใช่ใจทุกข์ ไอ้ที่พิการเนี <t utta> ่ยมันกายพิการไม่ใช่ใจพิการดูเหมือนง่ายๆนะแต่คนที่จะเห็นแบบนี้มันไม่ได้เห็นด้วยสมองนะจะเห็นด้วยใจเลยว่าโอ้ที่ที่ที่พิการเนี่ยมันกายพิการแต่ใจไม่พิการฉันไม่ได้เป็นคนพิการพอคิดแบบนี้ได้ปัญญาเกิดเนี่ยอาจารย์กำพูบอกผมเราออกจากความพิการเลยจิตใจเราอกจากความพิการเลยเพราะมันพิการแต่รูปฮะแต่ใจไม่ได้พิการด้วย นั่นเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันอย่อย า, งอยางดีที่สุดคือการไม่อะไรอดีตไม่กังวลกับอนาคตทําไมของหายเรายัางทุกอยู่ทาไมของหายเรายัางเสียใจอยู่เพราะเรายัางอ่านลายของชิ้นนั้นนะคนเราเวลาป่วยแล้วเราทุกข์ใจเนี่ยเราทุกข์เพราะเดี๋ยวเรายัางอะไรเมื่อครั้งที่ยังสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้ เราละเลยปัจจุบันไปนะถ้าเราอยอมรับความจริงเออของหายเราอยอมรับความจริงว่าของมันจับมือไปแล้วของนั่นมันสูญไปแล้วเราไม่อะไรดีเราก็สามารถจะมีความสุขได้แต่เราเรามเมื่อเราอะไรอดีตเมื่ อ, อไหร่เราก็ทุกของหายก็ทุกแฟนทิ้งแล้วก็ทุกนะจากสาวมาเป็นแก่ก็ทุก เพราะยังอะไรในความสาวยังอะไรของที่เคยมียังอะไรคู่ครองที่เคยที่เคยรักแต่อะไรมันช่วยไรเราได้ไหมมันก็ช่วยไม่ได้นะกังวลก็เหมือนกันฮะกังวลเนี่ยเรากังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ตีตนก่อนไข้ความกังวลในอนาคตก็ทำให้เราทุกข์ความเปลี่ยนแปลงยังมาไม่ถึงเลยนะแต่รู้ว่ามันกำลังจะมาก็กังวลแล้วเครียดแล้วนะ ได้งานมาได้งานงานได้งานมาชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะยังไม่ทันทำเลยก็ทุกข์ลนะกังวลแต่ถ้าเราไม่มัวกังวลนะเราทำสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะน่าให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะความทุกข์จะเบาบางมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะฮะเขาพูดว่าเขาชอบปีนเขา แต่เขาได้ประสบการณ์การปีนเขามเขาบอกว่าภูเขาแต่ละลูกเนี่ยมันจะดูน่ากลัวเมื่อมองจากที่ไกลเมื่อมองจากที่ไกลมันดูน่ากลัวแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือว่าถ้าหากว่าผมสนใจแต่พื้นที่อยู่ข้างหน้าผมแล้วก็ก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวความน่ากลัวมันจะลดลงแล้วก็มันจะถึงในที่สุดคนนี้ก็เป็นนักปีนเขาวิบากด้วยนะ แล้วคนเรางทีเป็นทุกข์เพราะเรามองไปข้างหน้าแล้วโอเห็นเห็นมันเห็นงานมันใหญ่เหลือเกินหนักเหลือเกินนะแล้วเราก็เลยท้อแต่ถ้าเราเนี่ยสนใจกับงานที่เราทําอยู่ตอนนี้วันนี้เช้านี้ชั่วโมงนี้คุณจะรู้สึกเลย ว, ว่างานเนี่ยมันเบาลงแต่ส่วนใหญ่ทําตรงนี้เนี่ยจ่ายไปข้างหน้าแล้วไปกังวลข้างหน้าแล้ว นะข้ามชอ็อตนก็เลยทุกเนี้ยและความเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวตรงนี้เพราะว่าเราเนียไปมองข้ามชอ็อตนะแต่ถ้าพอมันมาถึงจริงๆมันน่ากลัวน้อยลงเหมือนกับนักปีนเขาคนที่ว่าเนี้ยนะปีนเขาเขามันน่ากลัวเวลามาไกลๆแต่พออยู่พอสนใจแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วเนี่ยมันมันไม่น่ากลัว อันนี้ก็เป็นคําคำคำพูดที่น่าสนใจนะอย่าร้องไห้เมื่ออย่าร้องไห้เพราะอาทิตย์รับฟ้านะหรืออย่าร้องไห้ที่อาทิตย์รับฟ้าเพราะว่าน้ําตาจะทำให้มองไม่เห็นดวงดาวเขาลองบอกว่าอะไรอย่าไปอย่าไปอาน ไ, ไ, ไล่กับความสวยงามในในอดีตที่ผ่านไปแล้วเวลาอาทิตย์อาทิตย์ตกเนี่ยโอ้มันสวยงามเหลือเกินแต่ว่ามันก็มันหายไปแล้วก็ยังอานไล่ลืมมองไปว่า ดวงดาวก็สวยงามเหมือนกันนะความอะไรที่พระอาทิตย์รับฟาร์มก็ทำให้แม่สามารถจะเห็นดวงดาวที่สวยงามได้นะครักนกวรรณสิง์สุสขเทตมาพูดถึงว่าเขาเป็นทรัสซิเมียรนี่ฮะแต่ผู้ไว้ดีนะฮะคือแกอย่างที่บอกไปแล้วแกเป็นทรัสซิเมียรไม่รู้แกจะตายเมื่อไหร่ แต่แกไม่ไม่มัวจมอยู่ความทุกข์นะครับแกเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งแล้วแกพูดพูดไว้ตอนหนึ่งว่าถึงแม้แกจะป่วยแต่ว่าแกมีตาที่สามารถเห็นสิ่งสวยงามได้มีจมูกที่ได้กลิน่นที่หอมได้มีหูที่สามารถได้ยินเสียงที่ไพเราะได้ มีร่างกายที่ไปไหนมาไหนได้และจะทุกข์ไปทําไมนะฮะนี่คือการอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะคือป่วยป่วยก็ป่วยไปแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรายังสามารถจะรับรู้สิ่งดีงามสามารถจะสัมผัสความสุขสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยชีวเราก็ยังมีมีคุณค่าและสามารถเข้าถึงความสุขได้เนี่ยก็ตรงอย่างที่ทมาพูดเห็นสิ่งดีๆที่มีในปัจจุบัน เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเรามองเห็นไหมนะความสุขมีอยู่รอบตัวแต่เราเห็นหรือเปล่านะแต่ส่วนพอถ้าเราไปถ้าเราไปไปจมอยู่กับความคิดนะเราไม่ไม่สามารถจะเห็นได้อตมาเนี่ยชวน เคยพาคนเนี่ยเาเดินจงมาปฏิบัติทำเในววันแล้วก็พาเดินจงกลมตอนเช้าเนี่ยแสงเงิแสงทองนะแล้วก็ทาทับฟ้านะแล้วก็บรรยากาศนี่รื่นรมมากก็ชวนคนเนี่ยเดินจงกรมนะให้เดินอย่างมีสติเปิดใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจ ปล่อยวางความคิดสองข้างทางเนี่ยมันมีดอกไม้มันมีเสียงจิ้งหรีเรไดังตลอดทางมีเสียงนกนะบรรยากาศมันรื่นรมมาเดินจนกว่าไปครึ่งไปไปเกือบชั่วโมงนะพอเดินเสร็จก็ถามความรู้สึกของคนแล้วก็ประโยชน์ก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีเสียงเสียงเลไลบ้างกว่าครึ่งนี่ไม่ได้ยินน ะ, ะเดินมาครึเดินมาชั่วโมงงนงะ ถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเขาบอกมันอยู่กับความคิดกังวลเรื่องงานนะใจที่กังวลเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้เราเห็นสิ่งสิ่งงดงามสิ่งที่น่ารื่นรมได้แม้ว่าจะอยู่สองข้างทางตรานี้เองนะพวกเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะฮะว่าใจเราไปจมอยู่กับความจมอยู่จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับอนาคตนะกังวลโน่นกังวล น, นี่เราก็เลยไม่รับรู้เลยว่า มันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่เห็นก็ยังเรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะฮะมองแง่บวกนะมองแง่บวกนี่ก็สำคัญนะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เห็นบวกเคียงข้างลบ หมาความว่ายังไงอันนี้เนี่ยก็มีครูคนหนึ่งเนี่ยเคยเคยเคยถามนักเรียนนะครับครูคนนี้ก็เป็นนักเรียนชั้นปฐมเนี่ยนะฮะแล้วครูก็เลยครูกระดาษขึ้นมาว่าค ร, ครูกระดาษขึ้นมาว่านักเรียนเห็นอะไรใช่ไหมนักเรียนก็บอกว่าเห็นเห็น จุดสีดำใช่ไหมฮะจุดสีดำครูถามต่อไปว่าแล้วนักเรียนไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยหรือเราเห็นแต่เราไม่สังเกตใช่ไหมฮะในชีวิต จ, จริงเนี่ยผู้คนก็เป็นอย่างนี้คือว่าเห็นแต่จุดสีดำแต่ว่ามองไม่เห็นสีขาวหรือไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันเตะตาเตะใจเราจะรู้สึกว่าสีดำเนี่ยมันเตะตาเตะใจมากกว่า การที่เราเห็นแต่สีดำเนี่ยก็คือการมองแต่ในแง่ลบแต่ถ้าเรามองในแง่บวกวก็จะเห็นว่านอกจากสีดำแล้วมันก็มีสีขาวกระดาษ ด, ด้วยนักเรียนในห้องคนนึงเนี่ยคือโควฟี่อันนันพวกเรารู้จักใช่ไหมโควฟี่อันนันเขาบอกเขาประทับใจมากกับกับบทเรียนชิ้นนี้แล้วโควฟี่อันนันต่อมาก็เป็นเลขาดที่การสาธระชาติแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลราคาสันติภาพประสบการณ์บทเรียนของครูเนี่ยเขสอนใจเรามากว่า อย่ามองแต่สีดำอย่ามองแต่จุดสีดำอย่างเดียวต้องมองเห็นสีขาวกระดาษด้วยซึ่งก็ตรงกับที่ที่กระบอกวันเขาพูดไว้ว่าถึงแม้เขาจะเจ็บเขาจะป่วยนะถึงแม้เขาจะเป็นโรคเลือดแต่เขามีตาที่จะเห็นสิ่งสวยงามสามารถที่จะมีจมูกที่ดมกลิ่นหอมได้คือชีวิตนี้มาไม่ได้แย่ทีเดียวมันมีสิ่งดีๆ ด, ด้วยนะบางคน นะบางคนถึงแม้ตกงานนะก็ยังไม่จมอยู่ความทุกขนะ์เพราะยังคิดว่าเออฉันก็ยังดีนะที่ฉันยังมียังมีบ้านยังมีพ่อแม่อยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยแกถูกโกงไป60ล้านสองสามวันนี่ก็ทุกข์มากเลยนะฮะ แต่ว่าวันที่สามนี่แกเริ่มยิ้มได้แล้วผมก็ถามว่าทำไมถึงยิ้มได้ไม่มีสีหน้าทุกข์ละแกบอกว่าก็มาคิดได้ว่ายังมีบ้านที่สบายยังมีอาหารที่อร่อยกินนะยังมีบ้านสบายๆนอนอยู่ยังมีอาหารที่อร่อยกินพอคิดแบบนี้ได้ไอความทุกข์มันหายไปเลย คือแกจะไม่จมอยู่กับเงินที่หายไปแต่แกจะมาใส่ใจกับว่าฉันยังมีอะไรดีๆอยู่บ้างเวลาเงินเราหายเนิอทุกเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับไอ้บาทสิบาทหรือว่าร0อยบาทพันบาทที่หายแต่เราไม่ให้ความสนใจเลยกับหมื่นหรือแสนหรือล้านที่เรายังมีอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามาให้ความสาคัญ กับสิ่งที่เรายังมีอยู่มากกว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปเนี่ยเราจะทุกน้อยลงเราไปทุกเพราะเราไปใส่ใจกับสิ่งที่เราเสียไปมากกว่าสิ่งที่เรามีใช่หรือเปล่าเราลองมาใส่ใจกับสิ่งที่เรามีแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันจิ๊บจอยนะฮะนี่คือการมองแง่บวกเนียเรียกบวกเคียงข้างลบหรือว่าบวกนี่มันอยู่คู่เคียงกับกับสิ่งที่เป็นลบนะอย่าเห็นแต่จุดดํา ในความก็ยังมีแสงสว่างได้เห็นบวกในลบนี่ก็เป็นอีอกมุมหนึ่งก็คือว่าในสิ่งที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลบเนี่ยมันก็มีบวกอยู่ตกงานก็ดีเหมือนกันนะก็จะทํําทาให้ได้ไปอยู่กับกลับไปดูแลพ่อแม่ตอนที่ทํางานอยู่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่เลยตกงานก็ดีเหมือนกันเจ็บนะป่วยก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าได้พักผ่อนบางคนก็บอกเลยว่าเจ็บป่วยก็ดีเพราะว่าทำให้รู้ว่าเพื่อนนี่รักเราแค่ไหนเพราะเวลาป่วยอยู่โรงพยบาบาลนี่โอ้โหเพื่อนๆมันเยี่ยมมันใหญ่เลยก็ดีเหมือนกันนะมีนักธุรกิจคนหนึ่งบอกว่าก่อนจะทำธุรกิจเนี่ยตอนที่ทำธุรกิจครั้งแรกนี่เขากลัวมากเลยกลัวล้มเหลวแต่พอทำแล้วมันล้มเหลวจริงๆเนี่ย แล้วพบว่าแม้ธุรกิจมันจะล่มแต่ฟ้าไม่ถ ล, ล่มรั่วไม่ทลายยังอยู่ได้เป็นผู้เป็นคนแกร่รัศวโอยต่อไปนี้แกไม่กลัวละไม่กลัวความล้มเหลวละนี่สความล้มเหลวนี้มีประโยชน์นะความล้มเหลวนี้มีประโยชทำให้แกหายกลัวหายกลัวความล้มเหลวเพราะรู้ว่าล้มเหลวไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม น, นี่คือเห็นบวกคนเราบ้าจะกลัวความล้มเหลว แต่คนนักธุรกิจคนนี้เขาเขาาเห็นเลยว่าความรู้แบบมีประโยชน์เพราะมันทําให้เรารู้ว่าถึงล้มเหลวไปโลกก็ไม่ถล่มทลายก็ทําให้แกกล้าที่ทําธุรกิจหายกลัวซึ่งอันนี้นก็ตรงกับเจเคโรลิงโจเคเจเคโรลิงเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตอนก่อนเขียนนี่แกเป็นคนยากจนมากและชีวิตแกล้มเหลวหลายอย่างแต่ก็บอกว่าความรูมเหล่านี้มีปีมีประโยชน์มากเลยก็คือทําให้แกรู้ว่า ล้มเหลวนี่เป็นเรื่องธรรมดานะ ค, นม ค, นม ค, คนที่ไม่เคยเจอความล้มเหลวจะกลัวจะกลัวนะแต่พอล้มเหลวสักครั้งก็จะรู้ว่ามันไม่เห็นเลวร้ายอย่างที่คิดเลยจะไม่กลัวแล้วและพอไม่กลัวแล้วเนี่ยมันกล้าเสี่ยงอันนี้เราว่าเห็นประโยชน์ในสิ่งที่มันเป็นลบนะในสิ่งที่แย่ยังมีดีนะ ในเคราะห์ยังมีโชคด้วยเหตุ น, นี้บางคนถึงพูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งนะฮะเคยดีดไหมโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งนี่ทําให้เขาได้หันมาสนใจธรรมะบางคนเนี่ยขอบคุณเศรษฐกิจวิกฤตปี P 40ราะทําให้เขาได้เข้าวัดเรียว่าถ้าพูดภาษาแบบ ขอภัยนัคือถูกถีบเข้าวัดแต่ว่าพอเข้าวัดแล้วโอ้โหปฏิบัติธรรมแล้วปรากฏว่าโอ้โหมันําวมานี่มันวิเศษลึกซึ้งมากไม่เคยคิดเลยถ้าไม่เกิดถ้าธุรกิจไม่ล้มละลายนี้ก็คงจะไม่พบธรรมะขอบคุณมากเล ย, เ, ยเมื่อคุณคุณสิริวัตรที่ตอนเศรษฐกิจวิกฤตแก่ขายขายขา ย, ขายเลยนะฮะ แซนด์วิชใช่อ่าแซนด์วิชจากธุรกิจหมื่นละให้ไม่หมื่นละหลายพันล้านพอค่าเงินบาทตกนี่แกเป็นหนี้ทันทีเจ็ดพันล้านแล้วแกเลยต้องมาขายขายแซนด์วิชทิ้ละละยี่บาทสาสิชิ้นวันหนึ่งได้สาสิบชิ้นได้วันละห0ร้อยเท่านั้นนะต้องวิ่งหนีตำรวจเท ศ, ศกิจแต่แกเป็นคนจมลงนะฮะจากเศรษฐีมหาศาลนี่มาขาย แซนวิชเนี่ยได้วันละ600บาททั้งถ้าขายหมดแกจมลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากทำแซนวิชนี่แกค่อยฟื้นขึ้นมาใหม่นะฮะตอนนี้แกทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์นะแกบอกว่าขอบคุณขอบคุณเศรษฐกิจวิกฤตที่ทำให้แกเข้มแข็งและทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตนี่เราจะเห็นคนคนจนวนมากเลยที่เาเขาเขาสามารถที่จะเปลี่ยนลบ เห็นเห็นบวกท่ามกลางวิกฤตเห็นประโยชน์ท่ามกลางสิ่งที่ท่ า, ามกลางความผันผวนในชีวิตได้อันนี้ก็ท่านติสณทันท่านใช้คําว่าเปลี่ยนขยายเป็นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยอัศจรรย์มากนะเราเอาขยะไปทิ้งลงไปทิ้งลงไปขนต้นไม้เนี่ยขยะเรานี้เนี่ยมันแปลถูกแปลสภาพ กลายเป็นกิ่งก้านกลายเป็นใบแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามถ้าในสุขกลายผลไม้ที่หอมหวานมาจากขยะทั้งนั้นนะฮะมนุษย์เรามีศักยภาพมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนขยายเป็นดอกไม้ได้คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อให้เป็นโชคได้แต่เราจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็อย่างที่อาจาพูดมาสาประการนี้นะฮะ จนกระทั่ง ม, มาถึงขั้นที่สามารถที่จะมองมองในแง่บวกได้นะฮะอันนี้กระนบกัน อ, กอีกครั้งหนึ่งนะฮะแกเป็นคนที่สอนธรรมะให้จแกอัตมาได้เยอะมากนะความสุขก็ไม่ดีนะมีสุขมากๆที่ทาให้เราหลงลืมคือประมาทคนที่มีความสุขมากมๆนี่จะหลงลืมแต่ความทุกข์นี่มันทําให้เราหันกลับมามองความจริงของชีวิตมากขึ้น หันกลับมามองแล้วก็รู้เท่าทันไม่ประมาทนะถ้าพูดภาษาพระคือไม่ประมาทอาจารย์กับคนก็พูดเช่นเดียวกันว่าผมขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้ผมรู้จักความทุกข์และทําให้ผมรู้วิธีที่จะออกจากทุกข์ได้คือเราเจอกจากทุกข์ได้เราต้องรู้จักนะเราต้องรู้จักความทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราหลอกจากความทุกข์ไม่ได้และคนเรานี่หนีความทุกข์ตลอดเวลาเมื่อเราหนีความทุกข์ตลอดเวลาเราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นความทุกข์ เราจะไม่รู้จักความทุกข์เพียงพอเมื่อเรามรู้จักความทุกข์เพียงพอเราก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้อันนี้ภาษาจริงก็บอกว่าเนี่ยอยากจะอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทําเสือครนะูบาอาจารย์บางท่านเป็นพระวัดปา่าทั้งบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะพ้นทุกข์นี่ต้องต้องไปเจอทุกข์นะมันถึงจะมันถึงจะออกจากทุกข์ได้เฮ้เราอย่าเราย่าไปกลัวความทุกข์นะว่าความทุกข์มาทําให้เราฉลาอาจารย์พุทธบอกว่า ป่วยทุกครั้งนะต้องฉลาดทุกทีต้องฉลาดเพราะความป่วยนะความป่วยทำให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องกายไม่ปอนก็ฉลาดในเรื่องใจด้วยนะก็คือว่าดูใจของเราเวลามันเจ็บมันป่วยเป็นอย่างไรมันมีความยึดติดถือมั่นแค่ไหนและเมื่อเราปล่อยวางเราก็จะเจ็บเราก็จะปวดเราก็จะทุกน้อยลง รายกายเป็นดีนะอันนี้ก็สตีฟจ็อบส์ก็เคยพูดนะฮะการถูกไล่ออกจาก Apple Apple นี่คือบริษัทนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผลผลไ ม, ล ม, ไม้การถูกเล่ออกจาก p p l e ปกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเกิดกับผมได้สตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เป็นคนที่ก่อตั้งบริษัท Apple คือเครื่องเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ซึ่งต่อมากลายเป็น m a c i n t o s นะฮะ แล้วก็พอ Apple มันกลายเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยแล้วเขาเป็น CEO วันดีคืนดีเขาก็ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมากับมือเสียศูนย์ไปพักใหญ่นะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปไปตั้งบริษัทอีกบริษัทนึ่งทำเรื่อง a อนิเมชันทำเรื่องหนังเรื่อง t อ y Story เรื่องการ์ตูนอะไรที่เด็กๆหลงไหลผู้ใหญ่ก็ชอบเนี่ยมาจากบริษัทนี้เยอะเลยแล้วบกัว่าโอ้โหมัน มันเปลี่ยนแปลงวงการแอนิเมชั่นมากเลยแล้วก็มีความสุขมากกับการที่ได้มาทําบริษัท Next ชื่อชื่อบริษัทใหม่ของเานะชื่อเน็กแล้วก็พูดประโยชน์นี้แหละฮะว่าการถูกไล่ออกจากแอปเปเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเกิดกับผมได้การถูกไล่ออกนี่ผมมันทั้งเสียหน้าทั้งทั้งทั้งเป็นเสียความรู้สึกใช่ไหมฮะแต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทําให้ Steve j o บสเนี่ยหันมา เริ่มสร้างสรรค์อะไรแปลกๆใหม่ๆแทนที่จะจมอยู่กับคอมพิวเตอร์สร้างมาแมตช์อินโทรต่าง ๆ, ๆี่20ปีแล้วเนี่ยเขามีอิสราภาพมาที่จะไปคิดอะไรใหม่ๆแต่เป็นอิสราภาพที่เกิดจากความไม่ตั้งใจคือเขาไม่ต้องการที่จะมีสราภาพแบบนั้นแต่ว่าการถูกไล่ออกทําให้เขาเกิดอิสระภาพขึ้นมาแล้วเขาก็คิดอะไรใหม่ๆจนกระทั่งมาเป็นบริษัท Next แล้วก็ผลิตแอนิเมชันแล้วตอนหลังที่สุดเนี่ยเขาก็กลับมาผลิต i p o d ด ไอพอตอนนี้ดังระเบิดเลยนะฮะเขากลับไป Apple ใหม่แล้วก็ผลิต iPod ขึ้นมานะก็เพราะได้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยจากไอการทำพวกนี้แหละฮะเพราะนีนเราเวลาอะไรมีอะไรล้ายๆเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจ ะ, ะตกงานหรือว่าถูกไล่ออกนะหรือว่าอาจจะธุรกิจล้มละลายอย่าไปมัวแต่ทุกข์กับมันนะฮะ บางทีมันอาจจะเป็นโชคในคราบของเคราะห์ก็ได้นะอาจจะเป็นโชคในในคราบของเคราะห์นะแต่ในอีกด้านหนึ่งเคราะห์ก็อาจจะมาในคราบของโชคก็ได้อันนี้เราก็ต้องระวังนะฮะคนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่ผู้นี้เรียกว่าอาจกําลังเจอเคราะ์ในคราบของโชคบางคนค่าตัวตายนะฮะ หลังจากถูกรางวัลที่หนึ่งล้านบาทมาได้ไม่ถึง1ึงงเดือ น, นเมื่อสักปีสองพันไม่ใช่ปี2 0 0พันเมือ 2000, ม่อก่อน น, นั้นนะ่ะประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งแกถูกหวยนะไม่ถูกถูรัตตอรี่สลากกินสลากกินร่วแกได้มาถึง1000พันดอลล้านดอลลาร์นะครับไม่หนึ่งรอยล้านดอลลาร์ที่ประเทศอเมริกาแกได้เงินถึงหนึ่งรล้านดอลลาร์นะครับเป็นข่าวใหญ่ในประเทศอเมริกา แล้วก็หลังจากนั้นห้าปีก็มีผู้สื่อข่าวนี้ไปไปติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับสามีภรรยาคู่นี้ก็คือประมาณ 2,005 ก็คือปี 2,4548 ปรากว่าจากปีปี43ซึ่งจะถูกได้ร้อยล้านเหรียญเนี่ยจนถึงปี48เนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอันที่1คือสามีภรรยาหย่ากันนะครับ พร้อมได้เงินเลยเนี่ยสองภรรยา ส, สามีต่อมาตายเพราะโรคสุราเรือลำนะมีเงินเยอะก็เอาแต่เที่ยวเอาแต่เซดนะฮะเป็นโรคสุราเรื่องตายส่วนภรรยา ก, ก็ไปตายในคืบลือหาที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าตายอย่างโดดเดียวชีวิตแกจะมีความสุขมากกว่า น, นี้ถ้าแกไม่ถูกไม่ได้สลากไม่ถูกสลากกินรวกลอยล้านดอดลลาร์ แต่การที่ได้เงินถึงร้อยล้ดอลลาร์นี่มันทำให้ชีวิตทําให้บ้านเนี่ยครอบครัวแตกชีวิตเสื่อมโทรมยิ่งกว่าเดิมอันนี้เราเรียกว่าเพราะที่มาในคราบของโชคระวังให้ดีนะฮะแต่ในทางตรงข้ามมันก็จะมีโชคที่มาในคราบของเพราะได้นะเนี่ยเราต้องต้องพร้อมที่จะรับมือกับมันอ่นตอมาพูดถึงญี่ปุ่นนะการแพทย์ของคำวันก็ที่สอนนี่อาจจะเป็น โชคที่มาในค่างของครอะก็ได้เพราะว่ามันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเจอความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ดีพวกไซบัสส์ที่มันเป็นเป็นคนรวยมหาศาลที่ครองประเทศทําให้ประเทศถูกผลักไปในสงครามเนี่ยพอแพ้สงครามในพวกไซบัสส์เนี่ ย, ย, ยถู ก, กวาดนะออกไปหมดนะไม่สามารถจะมีอํานาจในทางการเมืองเศรษฐกิจได้ทําให้เปิดโอกาสให้มีการปฏิรูปที่ดินต่านงะอย่างทั่วประเทศเลยซึ่งทําไม่ได้นะ ถ, ถ, ถ้าถ้าญี่ปุ่นชนะสงครามนี่ การปฏิรูปที่ดินทาไม่ได้ประชาธิปไตยจะลําบากมากเพราะว่าสายบัสืสึจะคุมหมดแต่บัสื่อกับพวกกับพวกพวกทหารนี่ก็จะคุมประเทศไว้แต่การท่าสงครามมันทําให้ญี่ปุ่นมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีการปฏิรูปหลายหลอย่างหรือกาปฏิรูปที่ดินเนี่ยเป็นเป็นเป็นความสําเร็จอย่างมากซึ่งหาได้ยากอันนี้มันเกิดมาคือคือโชคในข้าของเพราะแต่ว่ามันเป็นคพราะที่จะปวดเหลือเกินนะซึ่ง อาจมาช่วยคนผมไม่อยากจะให้เจอครอบแบบนี้แต่เมื่อมันเจอแล้วเนี่ยก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ดีที่ไม่แยกไปก่อนนี้หลายข้อมว่าอะไรหายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีทั้งนั้นอย่างน้อยมันก็ดีที่มันไม่แยกไปก่อนนี้ใชฮะเงินหายพันหนึ่งก็ดีนะที่ไม่หายสองรันะฮะหายหมื่นหนึ่งก็ดีกว่าที่ไม่ไม่เสียรถไปเสียรถรถหายก็ยิดีที่เป็นไม่เป็นมะเร็ง แต่ไป ม, มีบางคนมองนะฮะฉลาดนะเป็นมะเร็งนี่ก็ยังดีนะฮะมีคนนึงเป็นมะเร็งสมองอาตมาจัดอบรมเผเชิญความตายอย่างสงบที่คุณคุณโจได้พูดเมื่อกี้เนี่ยจัดมาหลายปีแล้วฮะปีหนึงไปจัดที่ภาคใต้จัดเสร็จเราทำเวิร์กช็อปเสร็จก็จะให้อาสาสมัครเนี่ยให้คนที่เข้ามาร่วมการเขาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครเยี่ยมคนไข้ที่ป่วยหนักอาสาสมัครคุณก็ไปเจอเจอคนไข้ เป็นผู้หญิงอายุ14ขวบผมแกร่วงหมดเลยแกเป็นมะเร็งสมองฮะแต่แกยิ้มแย้มแจ่มใสมาหนหาตาบกบานอาัสาาสมชชาก็แปลกใจคุยไปคุยมาแกบอกว่าหนูโชคดีที่เป็นที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกเพราะมีญาติคนหนึ่งเป็นบวชมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองหมูแกพูดอย่างนี้นี่อาศาศาสัสสัมชชากคนนั้นนี่แก แกอึ้งเลยนะฮะเพราะอาจารย์บบคนนี้เนี่ยแกก่อนนั้นคือหนึ่งเรามีการคุยเปิดออกกันเนี่ยแกบอกว่าแกแกจไม่ได้แล้วว่าแกหัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไรมีความทุกข์เรื่องครอบครัวมีความทุกข์เรื่องลูกเลื่องการงานแต่ความทุกข์ของแกนี่มันเทียบไม่ได้เลยกับเด็กผู้หญิงคนนี้แต่เด็คนนี้ก็บอกว่าตัวองโชคดีที่เป็นมะเร็งสมองเนี่ยคือแกสามารถมองเห็นเลยนะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันดีทั้งนั้นอย่างน้อยนก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้ ซึ่งก็เป็นก็เป็นก็เป็ น, ก, ปนก็เป็นวิธีคิดแบบพูดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในพุทธกาลเนี่ยมันก็มีเหตุมีเรื่องราวธรรนองนี้อยู่คือพระกุณะเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็มาทูลลาพระเจ้าขอกลับไปเมืองสุนาปัปันต์ปนต์พระเจ้าก็ท้วงว่าเมืองสุนาปัปันต์ปนต์เนี่ยคนที่นั่นเนี่ยรุร้ายมากถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะทําอย่างไรท่านจะคิดอย่างไร พระปุณณะก็ตอบว่าเขาดาว่าก็ดีกว่าเขาทุกตีแล้วถ้าเขทุกตีท่านหล่ะจะว่าอย่างไรเขาทุกตีก็ดีกว่าเขาก้อนหินมากคว้างแล้วถ้าก้อนก้อนดินมาคว้างแถ้าถ้าก้อนดินมาคว้างล่ะท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเอาก้อนดินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดนะแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดล่ะท่านจะว่าอย่างไรพระปุนะก็ตอบว่าก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทง แล้วถ้าของแหลมาแทงแล้วท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าก็ดีกว่าเข า, า, เ, ขาเอามีดมาฆ่าให้ตายท่านมองว่าดีตลอดเลยนะฮะอะไรเกิดขึ้นกับท่านก็ดีทั้งนั้นสุดท้ายพระเจ้า ก, ก็ถามว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่าอย่างไงพระคุณณาก็ตอบว่าคนบางคนเนี่ยอยากจะตายก็ต้องไปหามีดมาหรือต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่นี่ข้าพเจ้านี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะมีคนมาทําให้เสร็จคือท่านหมองได้ขนาดนี้นะ คือมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านแต่ดีทั้งนั้นคือดีที่มันไม่ยากเลยกว่า น, นี้นะบอกว่าพระพุทธจ้าก็อนุญาตให้ท่านไปเมืองสุนาปันตะเพราะว่าท่านไปแล้วแฮปปี้มากเลยเพราะว่าท่านสามารถที่จะทําให้คนสุนาปันตะเนี่ยกลับมาสมาทาน พ, าพระธรรมนัดตราเป็นชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีและพระปุณณะหนสุดก็เป็นพระอรหรันตะ์อารมณ์ขัน์ทําให้สนุกนี่ก็เป็นสำคัญนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมอารมณ์ขันกันแล้วกัน นะะคนที่วัดคนที่พระบาทวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะฮะเขามีอารมณ์ขันมากนะฮะวัดพระบาทน้พุที่ทราบใช่ไหฮะเป็นพวกที่คนที่เป็นเอซเนี่ยก็ต้องไปตายกันที่นั่นเป็นฮอสิตที่ที่ที่ใหญ่นะแต่คนที่นั่นนี่เขาเขาเาสามารถที่จะหัวเราะย่ความตายได้เสมอ มีคราวนึงเนี่ยเขาก็เปิดมีคนเปิดวิทยุวิทยุก็มีเป็นวิทยวันเกิดนะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอะไรเงี้ยนะก็มีคนหนึ่งค น, นงก็ร้องตามแฮปปี้เดย์เดย์ทูยูแฮปปี้เดย์เดย์ทูยูอะไรเงี้ยนะคนก็หัวเราะกันใหญ่คือเอาความตายมาม า, มาพูดตลกได้เลยนะคนเราเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ขันไม่ว่าจะเจออะไรกับเราก็ตาม ต้องสามารถเทียมองให้เห็นมันเป็นเรื่องําขัญ ข, ขึ้นมาให้ได้นะฮะแต่ว่าถ้ายังเห็นไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยในยสามข้อแรกเนี่ยก็ทําให้ได้นะแต่มาเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ว่าเราจะเจอความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนะี่ดือเพราะความเปลี่ยนแปลงที่คนกลัวมากที่สุดเนี่ยคื อ, ค, อ, ค, อความเจ็บความตายเนี่ยมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะฮะ ก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้และสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดนี้ทาไมอยากจะย้าว่ามันมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเนี่เราเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจเราเราอย่าไปเร า, าไปไปเน้นหรือไปจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยเพราะจากภายนอกเดี๋ยวนี้เราเนี่ยค น, นทุกข์กันมากเพราะเราลืม ให้ความสําคัญกับเรื่องมุมมองท่าทีทัศนคติหรือว่าการรู้เท่าทันจิตใจของเราการรู้เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยสำคัญมากและเราจะรู้เท่าทันได้เนี่ยต้องมีสติสติจะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้สติจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไปไม่กังวลกับอดีต ไม่ไม่อะไรอดีตไม่กังวลกับอนาคตสติสติทำให้เราปล่อยวางความความยึดติดถือมั่นต่างๆได้แล้วจะทำให้เราเกิดปัญญาที่สามารถจะมองอะไรในแง่บวกหรือในแง่ที่เป็นกุศลได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราไปสนใจแต่ภายนอกจนลืมภายใน แต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันจิตใจภายในของเราเนี่ยไนอะ้ความทุกข์มันจะกลั้งกลายเล่นงานเราได้น้อยลงนะน่นการเจริญสตินะการหัดมารู้ใจของเราอยู่เสมอนะเวลาทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เวลาโกรธ ก, ก็รู้ว่าโกรธ เพียงแค่รู้อย่างนี้เนี่ยมันมีพลังนะฮะเพียงแค่รู้เฉยๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะปลดปลื้มไอสิ่งที่เกาะกลุ่มจิตใจเราได้และวิธีนี้เนี่ยเอามาใช้กับลูกหลานของเราก็ได้มีแม่คนหนึ่งาเล่าให้ฟัง ลูกเนี่ยอายุแค่สามขวบนะวันหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยโปรดป้ามากเลยโกรดป้ามาก แ, แม่เห็นก็เลยเข้าไปคุยกับลูกปกติเวลาแม่เห็นลูกแม่ถ้ารู้ว่าลูกโกรธป้าโกรธแม่พูดใหญ่เนี่ยแม่ก็จะไปห้ามแต่แม่คนนี้นี่แกฉลาดแกก็ถามลูก ว่าลูกโกรธป้าใช่ไหมลูกก็บอกลูกโกรธแม่ไม่ได้ห้ามแม่ถามต่อแล้วลูกโกรดเนี่ยลูกโกรธแค่ไหนโกรดแค่นี้ลูกโกรธเท่าฟ้าเลยลูกตอบว่าโกรธเท่าฟ้าเลยแม่ไม่ตกใจนะฮะโอ้ถ้าลูกโกรธป้าเท่าฟ้านี่มันแย่นะแต่แม่คนที่แกแกฉลาด เพแกสนใจเรื่องเรื่องธรรมะด้วยบอกว่าสักพักหนึ่งเนี่ยนะหลังจากที่ลูกบอกว่าลูกโกรธป้าทาฟ้าเนี่ยสักพักหนึ่งสันพั ก, กใหญ่ๆเนี่ยแกก็เหมือนกับลืมไปเลยแล้วก็ไปคุยกับป้าเหมือนเดิมสิ่งที่แม่ทํำคือทําอะไรฮะสิ่งที่แม่ทำคืำอเป็นกระจกสะท้อนให้ลูกเนี่ยเห็นจิตเห็นใจเห็นอารมณ์ของตัวเองการที่ ลูกเนี่ยได้เห็นใจของตัวเองเนี่ยจากการที่สะท้อนของแม่เนี่ยมันทําให้ความโกรธความทุกข์เนี่ยมันมันหลุดไปโดยที่ลูกไม่รู้ตัวนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีพลังมากกว่ารที่แม่ไปบอกลูกว่าลูกอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดป้านะลูกอาจจะเชื่อแล้วลูกไปกดขม่มความโกรธความเกลียดเอาไว้การกดข่มมันไม่ได้ช่วยเลยตรงกันข้ามการที่เห็น เห็นมันเนี่ยเห็นมันคือเห็นด้วยสติเนี่ยมันสามารถจะทําให้มันหลุดออกมาไดนะ้แม่คนนี้เขาเนี่ยเขเป็นคนชิชลาศนะเขาก็สามารถที่ทําให้ให้ให้เอาสามารถที่ให้เด็กรู้จักการเห็นจิตเห็นใจเห็นอารมณ์ของตัวและตระมาคิดว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราสามารถจะฝึกไดนะ้ผู้ใหญ่ยิ่งฝึกได้ดีนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ อัตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านีนะ้ถ้ามีเวลาก็อาจจะซักถามกันได้บ้างาเชิญได้ครับที่ขอกรมกรแพทย์เขียโนโน้ก็ได้ครับ เ, เป็นโอกาสครันะครับที่เราจะได้มีโอกาสไ ม, ไม่ใช่ประตูรายการประดูด a m proud of t o be การถูกบล็อกนี่เป็นไปได้แต่คงไม่ใช่อดีตชาติคนะือในฐานะพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะไม่ให้ความสําคัญกับอดีตชาติผู้เจ้าตรัสว่าละทินอกพุทธศาสนาเนี่ยมี3ประการประการก็คือความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะกรรมแต่ปางก่อนปางก่อนใ น, นที่ปอดิตชาตนะิอันนี้ไม่ใช่ละทิในพุทธศาสนาเดี๋ยวอันะอนี้คือความเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นเพราะพระเจ้าเทาพเจ้าโดยบันดาล หรือพรมคิดอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือความคิดว่าสุขทุกข์เนี่ยไม่มีสาเหตุเป็นความบังเอิญนี่ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะให้ความสําคัญกับปัจจุบันชาติแต่ตมาเห็นด้วยนะว่าอาดีตเนี่ยกำในอดีตเนี่ยไม่ใช่ดีิตชาติกำในอดีตคือกำในอดีตคือในชาตินี้เนี่ยมันมีส่วนในการบล็อกก็คือมันสร้างนิ ส, สย mm ัยมิลิเมนเทลิตี้คือคนที่คิดแต่ในแง่ลบเนี่ยนะคิดแต่ในแง่ลบเนี่ยยังไงเนี่ย การที่จะมองในแง่บวกก็เป็นเรื่องยากนะบางทีไอการคิดของเราที่สั่งสมมานานๆเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาครองจิตครองใจเราได้มีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยอายุ90แล้วนะฮะแกเป็นอัลไซเมอร์ลืมพ่อไอลืมลืมลูกลืมลืมญาตอะไรหมดแล้วเนะี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่แกไม่ลืมคือว่าไม่ลืมว่าใครยืมเงินแกเท่าไหร่ทุกวันนี้แกจะเปิดดูสมุด พุ่นของแกแล้วดูว่ามีใครยืมอะไรเท่าไหร่เนีใครให้เงินแกแมาแกจะรู้เลยว่าเ้าให้มาเท่าไหร่คือแกลืมหมดทุกอย่างแต่แกไม่ลืมก็คือเรื่องทรัพย์สมบัติของแกเนี่ยแล้วคนอย่างนี้เนี่ยจะไปพูดเรื่องธรรมะเลยเนี่ยไม่เก็ตเลยน ะ, นะเพราะไม่สามารถจะเข้าใจจะอัลไซเมอร์จะเป็นอัลไซเมอร์นะแต่ว่าเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยเรื่องหุ้นเนี่ยแกแกแกไม่ลืมเลยอันนี้คือมันไอความยึดติดในเงินเนี่ย มันเข้ามาครองจิตครองใจกันล้นะฮะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอดีตชาตินะแต่เป็นเรื่องของอชาติในปัจจุบันที่หมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องเนี้ยบางคนเนี่ยนะมันไอความขุ้นคิดแบบนี้มันทํามันทําร้ายตัวเองได้มีคนนึงเนี่ยแกเป็นแกเป็นคนที่ขี้เหนียวมากเลยนะวันนึงเนี่ยภรรยานี่ไปไปไปไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ หมอเนี่เห็นผิดสังเกตก็เลยพยายามเช็คเลือดอะไรต่างมากมายแกก็พอแกรว่ภรรยาเนี่ยถู ก, ถ, กถูกหมอตรวจหลายอย่างเนี่ยแกก็สิทธิ์ให้ภรรยานี่หนีออกมาทั้งที่แกมีเงินนะพราะแกเสียดายเงินนะแล้วแกก็ต่อว่าหมอใหญ่ว่าทําไมทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้ววันนึงแกก็ป่วยเองป่วยเองเนี่ยแกก็้กเสียเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละฮะแล้วก็พอพอแกทําท่าจะดีขึ้นเขาก็ เขาก็เอาค่าเอาใบเสร็จมาให้แกแกเห็นใบเสร็จนี่แกช็อกตายเลยนะฮะ<ๆ>คือไม่รวบเงินเป็นของแกหรือแกเป็นของเงินนะคือคนเราเนี่ยถ้ามันถ้ามัน m e n t a l t y มันสะสมไปในทางไหนเนี่ยมันก็จะบางทีก็อาจจะทำให้ไปบล็อกอย่างที่คุณว่าคือมันไม่สามารถจะคิดอย่างนั้นได้แต่ในทางพุทธศาสนาเ น, นี่ยเห็นมองว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะ มันสามารถจกคลี่คลายได้แก้ไขได้มันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนได้ในสารพุทธกาลมันจะมีคนบางคนที่ที่เห็นแก่เงินอย่างลูกลูกอนาถปิณิกาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่เงินมากไม่สนใจธรรมะพ่อต้องจ้างลูกไปฟังธรรมะและในส่วนในแก่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันได้บางคนเป็นคนที่เห็นแก่ตัว รับสบายมาบวชมาบวชพาะพ่อหวังสบายนะแต่ก็บรรลุทําได้คือคนเราเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนนิสัยใจคอได้ถ้ามีการถูกฝนปฏิบัติเพราะว่าเบื้องลึกของใจเราเนี่ยมันมีเรียกว่ามีปัญญาหรือโพธิจิตที่สามารถที่สามารถที่จ ะ, ส า, าจะาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้นทางพุษธศาสนาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อันนี้ในแง่ของนิตินั้จิตใจนะยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าวนาวัฒนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่โชคไม่ใช่โชควันานะวัฒนาในภาษาบาลีมันมันมันมันไม่ใช่กับวาสนาของไทยหมายถึงนิสัยบางอย่างที่มันฝังลึกเป็ น, เ ป, นเป็นกำมืันดาแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จ ะ, ะพัฒนาจิตในะจนะจน ตัวสามารถหลุจักทุกได้อันนี้พูดสัียาภาพนะแต่แน่นอนเราก็มีความเชื่อว่าบัวบัวใต้น้ำพวกนีน้เนี่ยพูดบัวใต้น้ําเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพวกที่บรรลุทำไม่ได้นะไม่ใช่เป็น พ, ท, น ท, นะพที่โง่นะแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่พยายามที่จะเรียนรู้พัฒนาตนแต่ถ้าตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตนแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําในสิ่งที่ยิ่งกว่าที่จะามาพูดมาก็ได้สิ่งที่เราพูดมานี้ค่อนข้างจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นๆ น, นะแต่ว่า คนเราสามารถจะพัฒนาได้นั้นคือสามารถบรรลุธรรมพุทธะอรหันได้ไม่ว่าจะมีภูมิหลังมาอย่างไรก็ตามนะบางคนเป็นขโมยบางคนเป็นโจรบางคนเป็นฆ่าคนมาทั้งหมดนี้เนี่ยฆ่าคนนี่ก็ก็ก็กรรมหนักนะแต่ก็ยังบรรลุธรรมได้นะนั้นในทางประสาสนานีนน่ไม่มีใครที่ไม่สามารถจะพัฒนาตนในแงส่สติปัญญาจนความทุกข์เบาบางหลือพ้นจากทุกข์ได้อยู่ที่ว่าจะ จะตั้งใจทําหรือจะใช้ความเพียรหรือไม่เท่านั้นเองอดีตชาติเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยหรือเมื่อเกีย้จตมายุตัวอย่างสามาวดีพระนางสามาวดีเนี่ยที่แกที่พระนางเนี่ยถูกไฟเผาครอกตายเนี่ยเพราะว่าอดีตชาติเคยไปทําให้เคยไปทําให้พ่อปเจกุลพุทธเจา้าเนี่ยถูกไฟคลอกแต่ไม่ตายนะแต่นางพยายามที่จะปกปิดหลักฐานด้วยการเผาครั้งที่สองที่แรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเผาจุดไฟเพื่อให้อับน้าแล้วไปจุดไฟ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายปรากฏว่าในในพงหญ้านั้นเนี่ยมีพระประเจพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังนั่งสมาธิอยู่พอรู้ว่าพระ ป, ระ เ, จระประเจกพระปเจพระปเจกพระพุทธเจ้าถูกเผาเนี่ยตกใจก็จะล บ, ลบล้างความผิดดุการเผาซ้ำให้ให้ศพให้ให้ให้ไม่ยืนหลักฐานนะอันนี้อันนี้ก็กลายเป็นกรรมหนะักก็ทําให้เมื่อมาเกิดในสมัยเด็กกับพระพุทธเจ้าออปัจจุบันเนี่ยก็เลยถูกไฟคร อ, อกตายนี่อดีตชาติเลย แต่พระนางส า, าวมณฑปีเนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก็ฉลาดพอที่จะใช้เหตุการณ์นี้เนี่ยให้เป็นโอกาสในการบรรลุธรรมได้เพราะว่าตอนที่ถูกไฟเผาเนี่ยพระนางก็บอกบริษัทบริวารว่าให้พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคือทุกขเวทนาที่มันกำลงเกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาให้เห็นในความไม่เที่ยงให้มันเห็นเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์หรือเกินพอพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยก็เกิดปัญญาจนบรรลุธรรมะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ อดีตชาติเนี่ยยังไงก็ตามไม่ว่าจะทรงพลังแค่ไหนเนี่ยก็ยังแพ้ปัจจุบั น, น, นกรรมในะกรรมในอดีตเนี่ยแม้ว่าจะทรงพลังแค่ไหนเนี่ยก็ยังสู้กรรมในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะทํากรรมปัจจุบันให้มันดีหรือว่าให้ใ ห, ให้ให้ถูกตามตามหลักตามตามธรรมะหรือไม่แค่นั้นเอง วันนี้นะคะสังคมไทยเนี่ยบแบ่งแยกกันอย่างนี้เป็นไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะในฐานะเป็นพระสงฆ์ซึ่งท่านมีความสามารถในการเล่าสอนแล้วก็หลอบเราจิตใจพวเนี้ท่านคิดว่าท่านจะช่วยเยียวยาสังคมไทยตอนนี้ได้ยังคะคือสิ่งที่อาจารย์แนะนำแล้วก็พยายามชวนให้เขามองนะก็คือว่ามองคนที่เขาคิดไม่เหมือนเรา พอมันคนที่คิดคนละขั่วกับเราว่าเขามีอะไรดีบ้างหรือเขามีอะไรที่คิดเหมือนเราบ้างและตมาเชื่อเลยนะว่าไม่ว่าในบ้านเดียวกันในที่ทํางานเดียวกันหรือว่าในสังคมเดียวกันเนี่ยแม้จะมีความคิดทางการเมืองหรือว่าเชียร์ใส่เสื้อคนละสีเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่เราคิดต่างกันเราจจะคิดเหมือนกัน หรือมีฤทธมีรสนิยมเหมือนกันสักหรือมีอัตลักษณ์เหมือนกันสัก95อย่างแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนกันมีแค่14่หอย่างก็คือว่าเอาทรักยสินไม่เอาทรักยสินใส่เสื้อสีอะไรใช่ไหมฮะศาสนาอะไรเป็นต้นแล้วจะมาพยายามมองว่าลองมองให้เห็นคืว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันบ้างแล้ถ้าเราแล้วเราจะพบว่าเรามีความเหมือนมากกว่าความตา่างอันนี้ก็จะทําให้เราใจกว้างมากขึ้น แล้วตมาฯก็บอกว่าคุณลองมองอะไรไกลๆหน่อยนะก็คือว่าไอคนที่เราทะเลาะกันวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็กอดคอนะก็เป็นเพื่อนกันและเป็นไปได้ ม, มากเลยว่าที่เราทะเลาะกันในวันนี้เนี่ยที่เราเห็นไม่ตรงกันในวันนี้วันข้างหน้านเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้าคุณลองมองแบบนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเพราะว่าเราจะยังอยู่ร่วมกันอีกนานนะ แล้วยิ่งเรานึกไปถึงว่าสวัสด์เจ้าบงเรยต้องตายเนี่ยเมื่อเราจะต้องตายต่างคนต่างก็ตายกันทั้งนั้นแล้วเราจะกล้องกันไ ป, ไปทําไมมันมีเพลงชื่อมันมีเพลงของคารวาห น, นะหันหนาไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงใช่ไหมอัตมาก็ต่อไปอี ก, อ, กอีกประโยชน์นน ห, นหนึ่งหันนาไปคนละทางสร้างดาวคนละดวงสุดท้ายก็ร่วงล ง, ลงดินเหมือนกัน มันทำอะไรก็มีประโยชน์ อ, อะไรคือพพอคนเราพอคิดถึงความตายแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากระลอกกันทําททไมเพราะสุดท้ายก็ก็ก็ตายด้วยกันทั้งนั้นะนะนี่ก็ก็คือสิ่งหนึ่งที่พยายามพูดนะคือแลตมาพบว่า น, นะว่าคนที่คิดเหมือนกันเนี่ยพอพอพ อ, พอมาพอมาอยู่ใกล้กันนะพอมาได้ฟังกันนะมันคุ ย, คยกันรู้เรื่องมากขึ้นปัญหาคือว่า มันเกิดระยะหางทางสังคมอาจจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าเกิดระยะหางทางสังคมและทางวัฒนธรรมเมื่อเกิดระยะหางเนี่ยทำให้คุยจะไม่รู้เรื่องเพราะที่คุยไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่งมคตินะสองไม่ฟังกันอาตมาพูดว่าพอคนเราเนี่พอมาอยู่ใกล้กันได้มาพบปาพูดคุยกันในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์แต่ถ้าปัจเจกันะถอดหมวกลงกซ ะ, ะมาคุยกันและเริ่มฟังกันเนี่ยพอเริ่มฟังกันเนี่ยก็จะพบว่า อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต่างกักเราเลยเคยมีนะคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะคือทำาวิร์กช็อนีนน้แล้วก็ก็อยากจะทดลองคือมีมีหมอหมอฟันกับผู้ช่วยเนี่ยสองคนไม่ถูกกันไม่ถูกกันอย่างแรงเลยก็เอามามากลางวงแล้วบอกว่าให้คุยกันว่าคุณคุณคุณไม่ถูกกันเพราะอะไรโดยมีกติกา ว, ว่าเมื่อคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังอย่างเดียว และเมื่อฟังเสร็จนะคุณต้องพูดสะท้อนกลับไปว่าคนเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดอะไรใช่หฮะแล้วถ้าคุณพูดจนอีกฝ่ายพอใจถึงจะจบแล้วถึงตอนนั้นก็สลับกันพูดใหม่ทีแรกเนี่ยผู้ช่วยเป็นคนพูดก่อนผู้ช่วยพูดเนี่ยพูดสักห้านาทีหมอฟันก็สะท้อนกลับว่าตัวเองเนี่ยได้ยินผู้ช่วยพูดว่าอะไรผู้ช่วยก็บอกว่าเออสะท้อนถูกกลับท่าแล้วนี้ หมอฟันพูดบ้างผู้ช่วยเป็นคนฟังพอหมอฟันพูดจบให้ผู้ช่วยสะท้อนกลับสะท้อนไม่ถูกผู้หมอฟันก็เลยพูดใหม่พูดจบให้ผู้ช่วยสะท้อนผิดอีกหมอฟันต้องพูดครั้งที่สามผู้ช่วยเนี่ยถึงจะสะท้อนได้ถูกสามครั้งนะฮะแล้วหมอสุดท้ายแล้วเขาก็เลยมีการมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ช่วยนี่ก็บอกว่า ไอตอนที่หมอฟังพูดเนี่ยสองครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเพราะคิดแต่จะเถียงเถียงเถียงอ่นะพจะเถียงก็เลยไม่ฟังเนี่ยเมื่อไม่ฟังก็หมอฟังพูอเลยตัวเองก็ตอบไม่ได้นี่ขนาดแค่ห้านาทีนะฮะคือปัญหาของเสื้อเหลืองเสื้อแดงเวลานี้คือคือตรงนี้ด้วยนะฮะคือไม่ฟังกันนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับความขัดแยง้ง ท, ท, ทุกทุกทุกที่บางทีเนี่ยเคยมีการเอาเอา เอาเอาหัวหน้าเผ่าในในจีเรียสองเผ่าเนี่ยมันมีหลายเผ่านี่ที่มันฆ่าในจีเรียทั้วนี่ก็ยังฆ่ากันอยู่ยนะแต่เนอเริ่มจะ น, น้อยลงเอามาคุยกันคุยกันไม่ได้นะเพราะว่าผู้ดำเ น, นินรายการบอกว่าไหนคุณบอกซอวอกอะ ว, าวาาา่าคุณต้องการอะไรเขาด่าเลยด่าฝ่ายหนึ่งด่าฝ่ายหนึ่งเอาคุณพูดหมายถึงคุณต้องการอะไรเขาก็ด่าอีกด่าคือ แม้คือจะว่าแต่ฟังหมือเลยแม้แต่จะพูดว่าตัวเ ต, ต้องการอะไรก็พูดไม่ถูกเพราะว่าได้แต่จะดา่ดาดา่าดพอพอพอพูดเลยก็เพราคุณคุณที่ที่คุณด่าว่าเขาเป็นฆาต ก, กรนี่เพราะหมายความว่าคุณต้องการเนี่ยเขาไม่ใช่เข ร, รุูแงในการแก้ปัญหาใช่ไหมเอาใช่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมื่คุณช่วยสะท้อนมาใช่ว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรพูดไม่ถูกสะท้อนไม่ได้เพราะจะด่าอย่างเดียว คือประเด็นอาจารย์อาารย์ากเน้นว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือไม่ฟังกั น, นะฮะแล้วความไม่ฟังกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกัเฉพาะสิ่งเรืองนฤทิกแดงมันเกิดขึ้นในกับหน่วยงานมันเกิดขึ้นในครอบครัวมันเกิดขึ้นกับสามีหรืภรรยานะและ้วอาจาคิดว่าถ้าเริ่มต้นจากการฟังกันนะฮะเมื่อฟังกันเท่าไหร่เนี่ยความความความไม่เนื้อเชื่อใจกันก็จะเริ่มเกิดขึ้น สำคัญมากเมื่อตอนที่ในแอฟริกาใต้คุณราทราบเมื่อประมาณ20่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันมากระหว่างคนขาวกับคนดำแล้วก็มันเดล่าเนี่ยเป็นผู้นำคนดำถูกจับ27ปีในคุกแล้วก็บ้านเมืองกำลังจะเกิดสงครามกลางเมืองเพราะว่าคนดำไม่จะลุกขึ้นสู้นะผู้นำคนขาวเนี่ยรู้รู้แล้วว่ามันจะต้องมาเจราจากันนะก็เรียกมันเดล่าเนี่ยไปคุยกันใน ในธำเนียบตอนนั้นแมนเดลาติดคุกอยู่คร้ที่1่ค้ที่2เดอะเคลิร์กซึ่งเป็นประธาดีก็มาคุยกับแมนเดลาถึงในคุกแมนเดลาเนี่ยคุยกันไม่ถึงไม่ถึงพึ่งชั่วโมงนะแมนเดลาเขียนในบันทึกว่าเดอะเคลิร์กเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมต้องจำเป็นต้องพูดคือจำเป็นต้องพูดในสิ่งที่มันที่มันแรงอะ่ะนะแต่จำเป็นต้องพูดเดอะเคลิร์ก เป็นคนที่สนใจในสิ่งสนใจฟังในสิ่งที่ผมจําเป็นต้องพูดคนคนนี้เป็นสิ่งที่เป็นคนที่ร่วม ง, งานกันได้นี่คือประโยชน์ที่แมนเด ล, ลาเขียนไว้ในบันทึกต่อมานักผู้สื่อขา่าไปสัมภาษณ์เดอะเคลิร์กเดอะเคลิร์กพูดคล้ายกันเลยบอกว่าแมนเด ล, ลาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจฟังนะสิ่งที่ผมพยายามบอกเขา แล้วผมก็ไปบอกเขาพวกว่าแมนเดลาเป็นคนที่เราสามารถทางานร่วมกันได้ความประทับใจสองคนนี้เนี่ยคืออะไรฮะประทับใจที่ว่าอีกฝ่ายมันเขาฟังเราเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งเลยยังไม่ได้เถียงกันเลยว่าคนดําควรปกครองประเทศอเริกาใต้หรือเปล่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยยังไม่ทําพูดเลยเพียงแค่รู้สึกว่าอีกฝ่ายเขาตั้งใจฟังเราแค่นี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรสุก ด, ดีต่อกัน และนี่คือจุดที่นำไปสู่การเจราจาจนกระทั่งเกิดการผองทายอนานาจจากคนขาวไปสู่คนดำซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนะฮะแต่มันเริ่มต้นจากจุดง่ายๆทีนี่คือว่าเฮ้ยรือฟังอก็อย่างนี้เคุยกันรู้เรื่องนะนะคือคือถ้าทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ว่าอีกฝั่งก็ฟังเราเนี่ยมันคุยกันได้เนะี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตรงนี้ไงอาตมาคิดว่าถ้า ถ้ามาอยู่ในบรรยากาศที่แบบสบายๆนั่งคุยกันจิบ ก, กาแฟกันไม่ต้องมาสร้างภาพเป็นผู้นำมวลชนอนาะตมาคิดว่าจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้น มันได้สองทางนะที่หนึ่งก็คือว่าเราเอาจิตไปจดจ่อยอย่างอื่นแทนเช่นกำลังโมโหเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ไหมเราก็มาตามลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกายาวๆอาจจะ บ, บริกรรมไปได้วยว่าหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายคุณลองทำกันสักสิครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกเร่อความความอารมณ์ความโกรธความหงุดหงิดมันเบาลง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ว่าคุณมีสมาธิกับการหายใจแค่ไหนใช่ไหมถ้าคุณมีสมาธิการหายใจตลอดสิบครั้งเนี่ยมันจะเบามากอันนี้เราเรียกว่าสมถะหรือว่าสมาธิอีกวิธีนี้ก็คือการที่คุณเนี่ยมีสติ ด, ดูดูใจดูใจที่มันดูใจที่มันมันอัดแน่นเวลามันโกรธมันอัดแน่นที่มันอัดแน่นไปเต็มหน้าอกเนี่ยดูลึกหรือว่าดูกายที่มันหายใจเข้าลึกๆไม่หาดูดูลมหายใจที่มัน หายใจตื้นหายใจที่นะฮะดูลุสึกถึงการเกร็งของร่างกายนะแล้วก็ดูใจที่มันคลุ้งพลาดไปด้วยความโปรดอันนี้คือรู้กายรู้ใจถ้าคุณอันนี้วิธีนี้ก็ช่วยได้นะอันนี้เราเรียกว่าการมีสตินะแล้วถ้าคุณมีสติคือวางระยะมีสติจนกระทั่งวางระยะห่างจากอารมบนั้นเนี่ยอารมบนั้นเนี่ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้มืนก็บกองไฟเนี่ย กองไฟถ้าเราอยู่หางมันเท่าไหร่นี่มันทำอะไรเราไม่ได้มันไม่ร้อนเท่าไหร่ปัญหาคือเราไปจมอยู่เราไปอยู่อยู่ในกองเพลิงคือเพลิงโทรศัท์ใช่ไหมฮะเราก็เลยทุกข์สติมัช่วยทําให้เราวางระยะหามจากไฟโทรศัพท์คือเห็นมันไม่เป็นมัน <c oughs> มันต่างกันฮะระหว่างเห็นกับเป็นเห็นความทุกข์เห็นความโกรธกับเป็นผู้ทุกข์ผู้โกรธนี่ยมันต่างกันส่วนใหญ่เราเป็นผู้โกรธฮะ เราไม่ได้เห็นความโกรธนะถ้าเราเห็นมันเนี่ยไอความโรากรธจะก็จะค่อยๆบำบัดบรรเทาเบาๆลงไปอันนี้ก็เป็นหลักการใหญ่ๆสองข้อนะที่จริงสมถะเนี่ยตัววิธีแรกเนี่ยนอกจากการทําสมาธิอย่างที่ตมาว่าแล้วอาจจะใช้แผน่นเมตตา ก, ก็ได้แผ่เมตตาให้กับให้กับคนที่เขาเขาทาไม่ดีกับเราเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเขาถึงโกรธเราใช่ไหมฮะ เมือกับคนตามบอดที่เมื่อคนที่เรากํากลังกําลังซื้อของอยู่เลือกของอยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ดีมีคนมาชนหลังเราขณะแรกความรู้สึกโกรธถ้าเรานทนจนกระท้างถล่มเลยแต่ถ้าเราหันไปดูแล้วเหลือไปดูพบว่าไอ้คนที่มาชนเราเป็นคนตามบอดเนี่ยเราเป็นไงเราโกรธเขาลงไหมฮะไม่หลงยังไหมฮคือเราไม่โกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเขาหลงเขาไม่รู้เขาถึงทำอย่างนั้นเขาไม่ได้เจลียตานาราย ไอการที่เราแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาที่เขาทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยโดยการมองพิจารณาว่าเขาทำเพราะความไม่รู้เขาเขาทำเพราะความโกรธเขาทำเขาทเพราะความหลงอันนี้ก็ช่วยทําให้เราเนี่ยคลายความโกรธไปได้นี่เป็นวิธีการที่เราสมถะนะมันมีสองวิธีใหญ่หญสมถะวิปัสนาวิปัสนาคือการดูดูเฉยๆดูด้วยใจที่เป็นกลาง แล้วเด็มก็จะค่อยรแหายไปนะอาะทานี้นะ ส, น ส, นสนนั้นๆมีคำามเพิเติมไหมครับขออนุวาตขอยาบอีกครั้งหนึ่งเมนะื่อพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนทำให้ผมเองนครันึกถึงครั้งนึ่งทดีโอกาสที่ได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงเอซิมกับเกียร์า เรื่องนี้เป็นเรื่องของหลวงปู่บุตรดานะฮะท่านก็มรณภาพาเป็นนานนะสามเกือบ20ปี2 0กว่าปีแล้วฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักส0บปีที่แล้วก็คือวันหนึ่งเนี่ยญาติโยมก็นิมนต์ท่านมามาฉันเพงในกรุงเทพท่านอยู่สิงคโรี mm hmm. เมื่อฉันเพนเสร็จก็เห็นว่าหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ย อ, อย่าพึ่งกลับเลยเพราะท่านฉลาแล้ว ก็ให้ท hey, ่านจำวัดในห้องห้องที่จัดไม้ให like ้ท่านก็ไปจำวัดแล้วก็มีลูกศิษย์สามสี่คนไปนั่งเป็นเพื่อนก็เพือนไอ้ห้องข้างๆเนี่ยมันเป็นร้านค้าเจ้าของร้านค้าเขเป็นเป็นคนจีนเป็นซิมนะฮะแล้วก็คนจีนสมัยก่อนเนี่ยเาก็จะสวมเกี้ยใช่ไหมฮะเกี้ยนี่เรารู้จักใช่ไมีไม้ เสียงคนนีก้ก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินล ง, ลงเนี่ยเพราะแจก้ายค้าขา ย, ขาขายนะฮะเสียงมก็ดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่บุรดาจำบัดอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่ค่อยพอใจก็บกรขึ้นมาว่าเนี่ยเดินไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่บุรดาท่านท่านหลับแต่ท่านไม่ได้ท่านท่านท่านปิดตาแต่ท่านไม่ได้หลับนะพอได้ยินลูกศิษย์พูดเช่นั้นท่านเลยพูดมาเบาวๆว่าขอเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเอง เราคือหูเราคือหูเราหาเรื่องเนี่ยหรือถ้าไม่มีสติหู ก, ก็หาเรื่องใช่ไหมืหมอนก็ไม่กี่มีเสียงโทรศัพท์ดังเนี่ยเราดูใจของเราไนะใจของเราเนี่ยก็เพื่อมไหยถ้าใจเราก็เพื่อมใจเราก็ไปปักอยู่กับเสียงโทรศัพท์นั้นพอไปปักอยู่ไปนานๆ น, นะนอกจากความโกรธจะมากขึ้นแล้วนะเราจะเริ่มฟังสิ่งที่แตมาพูดไม่รูเรื่องนะแต่ถ้าเราฟังเออฟังไปเอเอเสียงดังก็ดังไปเราเราไม่สนใจ เพรเสียงอตาตมาดังกว่าเสียงโทรศัพท์ใช่ไหม <ừ> เราก็จะฟังได้ต่อเนื่องคือคือถ้าเรามีสติเนี่ยนะไอเสียงรบกวนเนี่ยมันจะไม่ทําอะไรเรามันก็เป็นทักแต่ว่าเสียงมันจะไม่รบกวนเราแต่เมื่อเก็ตามที่เราไม่มีสติเนี่ยนะใจเรา ก, ก็จะไปปรับตรงโน้นตรงนีน้ตรงนัน้นตรงนีน้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นหูหารเรื่องไปเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราเขาเขาไม่ทักเราเราก็ น้อยใจหรือเราก็ระแวงเขานะฮะว่าเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าใช่ไหมคือหูเราตาเราเนะี่ยมันพร้อมจะหาเรื่องตลอดเวลาเลยถ้าไม่มีสติแล้วใครทุกข์ฮะก็เราทุกข์ใช่ไฮะตรงนี้นะที่เนี่ยที่ว่านีเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์คือนี้แหละฮะนะคือถ้าคุณไม่มีสตินะคุณก็เป็นฝ่ายเลือกความทุกข์อย่างเดียวเลยนะแต่ถ้ามีสติ เราก็จะเลือกได้ว่าจะเอาเลือกเลือกสุขถ้ามีสตินะเราเลือกได้พระพุทธเจ้าเคยนะตรัสสอนพระนันทิยะว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วแทนขยายความว่าเมื่อถูกตำหนิอยู่บนบกก็วางคำตำนิคาตหิ น, นั้นไว้บนบกอย่าเอาขึ้นน้ําเมื่อถูกตำหนิอยู่บนน้ํา ก็วางไว้ที่น้ำอยาวขึ้นบกนะเมื่อเข้าเมืองถูกถูกตำหนิก็วางไว้ที่เมืองอยเอาเข้าเฉตวังเฉตวังก็คือวัดที่พรา น, นันทียะอยู่คือคือถ้าเรามีสตินั้นเราวางได้นะแต่ถ้ า, าไม่มีสตินั้นเราก็จะเราก็จะเลือกเอาความทุกข์ไปโดยปริยายหรือโดยไม่รู้ตัว มีเด็กคนหนึ่งนี่แกแกน่าปทับใจมากนะแกชื่อแกเป็นเด็กไต้วันนะโจรตากวนแกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าฉันยังมีขาอีกข้างคือแกเป็นมะเร็งที่ที่ต้นขาแล้วก็แกโดนแกโดนแกโดนแกคีโมเ7ครั้งฉายแสง30ครั้งไม่หายต้องผ่าตัดถึงสามครั้งจนกระทั่งขาจะไม่มีขาหายไปข้าง แต่แกก็ยังเขียนหนังสือว่าฉันยังมีขาอีกข้างนึ่นก็คือว่าแทนที่จะเขียนว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งนะแกบอกว่าฉันยังมีขาอีกข้างนี่แกมองแง่บวกนะฮะเหมือนกับมองแก้วน้ําเนี่ยแทนที่บอกว่าน้ําหายไปครึ่งแก้วบอก่ายังมีน้ําอีกแก้วหนึ่งนี่โจต้ากวนแกเขียนไว้ตอนหนึ่งฮะตอนที่แกไปไปเข้าห้องผักตัดแกบอกว่าพ่อประคองฉันเข้าห้องผักตัดเด็กชาย กังวลเป็นเพื่อนฉันเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนฉันฉันเลือกเอาดหญิงสงบเข้าห้องผ่าตัดไม่หายในคะรั้งที่สองพ่อเนี่ยอุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดคุณป้าคุณป้ากลัวเป็นเพื่อนบ้านฉันคุณลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านฉัน ฉันเลือกเอาคุณลุงมั่นคงไปเป็นเพื่อนฉันในห้องผ่าตัดครั้งที่สามนี่ต้องขี่คอแล้วนะฮะขี่คอพ่อเข้าห้องผ่าตัดฉันมีความตายเป็นเพื่อนฉันมีความอยู่รอดเป็นเพื่อนฉันเลือกความอยู่รอดเป็นเพื่อนฉันเด็กสิท์ขวมนะฮะแกยังรู้เลยว่าชีวิตนี้เลือกได้เลือกได้ว่าจะเอาเด็กชายเลือกว่าจะเอาเด็กชายกังวลหรือจะเอาเด็กหญิงสงบ เรียกได้ว่าจะเอาคุณป้ากลัวหรือเอาคุณลุง ม, มั่นคงนะเราต้องมีสติฮะเราถึงจะเลือกได้ถ้าเราไม่มีสติฮะไอ้ความทุกข์มันจะเลือกเราแทนนะฮะครับขออัยท่านถามสุดท้ายกั น, นครับคณะทำงานของคุณมาลาสมัสดี ก็ต้องฝึกที่จะมีความสุขกับการทำงานคือทำงานอย่งมีความสุขนะความสุขกับการความสุขจากการทางานนี้เป็นไปได้นะฮะถ้าเรามีฉันท้ามีความชอบและความชอบมันจะทำให้เราเกิดความเพียรแล้วเกิดใจที่จดจอ่อนะและยิ่งถ้าเรารู้จักพิจารณาไต่ตรอง ก็จะทำให้งานมีโอกาสสำเร็จและแน่นอนถ้าเราสำเร็จเราก็มีความสุขแต่ที่จริงแล้วทำ ง, งานเนี่ยแม้ไม่สำเร็จก็มีความสุขได้ถ้าเราสามารถจะทำงานให้มีสติอย่างที่ธรรมาบอกว่าทางานไม่ว่า ง, งานจะเยอะแค่ไหนเนี่ยนะคุณต้องทำงานทีคุณต้องทำงานเรื่องมาทีละอย่างทีละอย่าง แล้วก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเนี่ยก็ซอยไปทีละชิ้นทีละส่วนทีละชิ้นทีละส่วนแล้วทําแต่ละส่วนและจดจ่ออยู่กับแต่ละส่วนแต่ละชิ้นนั้นเราจะทาํางานมีความสุขได้ความทุกข์คนเวลานี้เนี่ยจากการทํางานเนี่ยมักจะเกิดจากความกังวลนะพอสิทธิเบรคเาบอกวไว้ดีนะว่าท้า ง, งานมันแก้ถ้าปัญหามันแก้ได้จะ ก, กังวลทําำไมถ้าปัญหาแก้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะกังวล ใช่ไหมฮะถ้ามันแก้ได้เราก็ไม่ต้องไม่ควรจะกังวลแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้มีประยชอะไระที่จะกังวล ม, มันใช่ไหมทำงานอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคุณจะเหนื่อยแค่อย่างเดียวแต่ถ้าคุณไม่มีสตินะคุณจะเหนื่อยสองอย่างเหมือนกับเด็กคนที่อาตามาได้พูดถึงและเหนื่อยกายเนี่ยมันไม่ไม่มันไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่าเหนื่อยใจ สิ่งสำคัญอยานึ่งคือเรื่องของความสำเร็จความลุ่มเหลวอาตมาคิดว่าความสำเร็จก็ตามความถ้าเราถ้าเราทำงานเนี่ยถ้าเราอย่าไปยึดติดถึงม ก, กับความสำเร็จมากเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอถ้าเรารู้จักมองว่าความลุ่มเหลวก็มีประโยชน์ ความล้มเหลวก oh oh oh no ็สอนเราได้คนเราสามารถจะเรียนรู้จากความล้มเหลวได้เราจะทำงานได้มีความสุขมากเมื่อกี้ธตรมะก็ได้พูดไว้หน่อยว่าคนเราถ้าเรารู้จักความล้มเหลวแล้วเนี่ยแลวเรารู้จักเอาความล้มเหลวเป็นครูเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วก็และเมื่อเราพบว่าถึงแม้จะล้มเหลวโลกก็ไม่ถล่มแผ่นดินก็ไม่ทลายเราก็จะไม่กลัวความล้มเหลว มีคน น, นักนักวิทยาศาสตร์คนนึงเขาบอกไว้ดีบอกว่าเวลาคุณหกล้มัเนี่ยก่อนที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยขอให้หยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างนะขอให้หยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่าให้มันล้มฟรีๆนะแน่นอนล้มแล้วต้องลุกแต่ลุกก่อนจะลุกหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างคือบทเรียนไงฮะถ้าเราถ้าามีบทเรียนได้นะเราก็จะมีความสุขและถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะให้เราให้เราให้เรา เราลึกว่าถึงแม้จะสาเร็จนะความสาเร็จนั้นเนี่ย <d> ก็จะอยู่เพียงชั่วคราวความสาเร็จในวันนี้คือความล้มเหลวในวันหน้าความสำเร็จในวันนี้คือความล้มเหลวในวันหน้าสิ่งที่เราคิดว่าสาเร็จสาเร็จในในวันนี้เนี่ย พอในวั น, นลุงพอในในในนาคนเนี่ยมันกลายเป็นความไม่สําเร็จไปแล้วมีตัวอย่างได้เยอะเลยนะจริงแต่อัตมามีอะไรจะพูดเมื่อที่หลวงพ่อของอัตมาผู้นี่คยใครเขาก็บอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่หลวงพ่ออัตมาบอกว่าผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้าอันนี้จริงนะฮะผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้า เพราะว่าพอพอเขาแก่มากๆเนี่ยเขาหลงแล้วเขาเริ่มเดินสามขาสี่ขาเขาเริ่มงองแงเขาเริ่มน้อยใจต่งางๆพวกเราทุกคนนะฮะซึ่งในผู้ใหญ่ในวันนี้เรากำลังจะเป็นเด็กในวันหน้าเพราะฉะนั้นต้องต้องตจะหนักเอาไว้ความสวยในวันนี้คือความความไม่สวยในวันหน้าใช่ไหมฮะสุขภาพในวันนี้ก็คือความจะป่วยในวันหน้าทำนองเดียวกันน ะ, ะความสุขในวันนี้คือความรุนแรยในวันหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไป อย่าไปยึดติดถือมั่นมากกับความสําสเร็จบางทีถ้าเราใส่ใจกับความถูกต้องอาจจะดีกว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม้ไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรเอาธรรมะเป็นใหญ่ไว้เพราะความสําเร็จกับความล้มเหลวมันเป็นเรื่องของสมมุติถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้ถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้เนี่นะการทำงานจะมีความสุขมากที่เราทุกกันเพื่หนึ่งเรากังวลว่าจะไม่สําเร็จเรากังวลว่าจะล้มเหลว แต่ถ้าเราเห็นความรุนแรวเป็นคลัวเราเห็นความสาเร็จความสาเร็จเป็นความไม่เที่ยงนะเราก็จะจะจะไม่กลัวอาตมาชอบนะตองสิทธิชอยเนี่ยจะให้สาษั์เมื่อสองสามเดือนก่อนพวกเรารู้จักฮะตองสิทธิชอยแกเป็นคนที่สาเร็จเร็วมากเลยแกเป็นติดอันดับอยู่ใน3ามของโลกก่อนาอายุยีาแกเป็นหนึ่งใน8ปของโลกที่ได้ที่ได้ที่ได้ราจากการิติสนุกเกริรเนี่ยเป็นล้านเมื่อ20ปีที่แล้วนะ แล้วชีวิตแกกตกลงมานะฮะจมกทั่งเดี๋ยวนี้รุ่นประมาณสักหลายปีก่อนเนี่ยไอ้คนที่แก่เคยชนะเนี่ยมันเริ่มชนะแก่และคนที่ชนะแก่ก็เป็นเด็กรุ่นน้องคนก็ไปถามไปว่าทุกสงไงที่รุ่นน้องชนะบอกผมว่าผว่ามันเป็นธรรมดานะแกบอกตอนน่อว่าผมเป็นธรรมดาแต่มองให้อีกแง่ห น, นึ่งเนี่ยโลกมันจะเจริญได้เนี่ยคือนรูปใหม่มันต้องไล่หลังคือลูกเกา่า นะถ้าขึ้นลูกใหม่มันไล่หลังขึ้นลูกเก่าไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีทางจะเจริญโลกโลกนี้แหละแกกับมามีข้อดีว่าเออไอรุ่นน้องชนะแกก็ถือว่าเป็นความเจริญของโลกแกแฮปปี้แ ก, Happy, แกบอกเดี๋นี้เนี่ยเวลาแกแทงกิดเนี่ยแกยิ้มได้แล้วเวลาคู่แข่งแกแทงได้ได้เดี่ยวแกแกยิ้มให้เขาได้แกบอกเดี๋ยนี้แกทํางานแกเรื่องสเก็ตมีความสุขมากเลยแล้วแกขึ้นมาใหม่นะแกชิงแชมป์ได้เป็นเป็นแชมป์ประเทศแล้วก็เป็นแชมป์ของเอเชียแต่ว่า ยังไม่ถึงกับกลับขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อก่อนแต่จแกมีความสุขมากเลยนะแพชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญของแกนะแตมาเพื่อาการทํางานเนี่ยสำเร็จรุ่มเหลวเนี่ย ม, มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าและทํางา น, นยงมีความสุขไหมนะฮะแต่แน่นอนเมือม่อเมื่อลุ่มเร็วก็ต้องเรียนรู้และเมื่อสําเร็จก็อย่าเล่นะฮะและเราก็จะ ก็จะทำงานได้อาจาบอกอย่างที่บอกตอนตอนแรกนะครว่าต้องมองหาความสุขในปัจจุบันขณนะความสุขหรือสิ่งดีๆมันมีให้เราเห็นตลอดเวลาไม่ว่าในที่ทำงานไม่ไว่าบนท้องถนนถ้าเรามองไปก็เห็นสุขนะขครัคบ นะก็ในวันนี้ท่านอาจารย์ก็มีโอกาสมาแ บ, บ่งาันแยกคิด ม, มิตรใจกับพวกเราในที่นี้แล้วก็รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับข้มจากสื่อางก็ขออยังสะีนิดนะครับว่าข้าน้านที่เราสามารถอุ้มลูกจูงเข้ามาฝังธรรม ก, กันได้นะครับคนภายนอกก็ยินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากการทำยานธรรมแล้วเน่ย้นด้านประตูทางเข้าทั้งหม ที่เราจะช่วยร่วมกันกันรายจ่ายงายก็ขอเชิญทุที่สุดท้ายนะครับก็ชัาเจนนะครับว่าวันนี้เราได้ประโยชน์กันเชื่อว่าอย่างมากมากแล้วก็